มารออยู่แล้วกลับนวัต ก, การค่ะพระอาจารย์น้าคุณกลับพระอาจารย์พระอาจารย์คะเขามีเรื่องจะเรียนพระอาจารย์ค่ะเขาบอกว่าชื่อนคุณเยอะมากเลยเขาเลยขอให้เรียกชื่อจริงเขาค่ะชื่อพักวัดค่ะอนะ้าคุณนี่มาจากไหนล่ะหนูตั้งให้ตอนเกิดค่ะแต่พอ ห้าปีผ่านไปมีนักคุณที่ไปเรียนก็เรียนจกักรยานมีนักคุณประมาณสามคนสี่คนได้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าเจ้จาจ่าหนูขอเปลี่ยนชื่อดีกว่าเป็นชื่อจริงแล้วกันใช้เรียกชื่อจริงเลยเด็กชายพคะกวาเนะค่ะหรือว่าพ k เคอพีเคเลยพีเคก็มีเยอะนะเดี๋ยวเหมือนกับหนูอีงนะเอาทําไงดีค่ะ ตอนแรกจะตั้งชื่อตามคาเมงไรเดอร์ค่ะแต่บอกว่าคาเมงไรเดอร์เขามีทุกปีเลยนะลูกก็ต้องเปลี่ยนชื่อทุกปีเขาเลยบอกงั้นเอาเป็นชื่อชื่อจริงก็ได้ค่ะเขาชื่อพัวัฒนะนะโอเคโอเคโอเคครับอ๋อนาชายพักวัฒน์เคไม่เอาอ๋อพเคไม่เอาโอเคค่ะพเคไม่เอาอืมไม่มีชื่อญี่ปุ่นนะมีมมีไหมครับยูยูว่าค่ะลูกก็บอกยูว่ายูว่าก็ไม่ชอบค่ะชอบพัวัฒ นี S <S ่จะจะพักดพักค่ะพักวาดก็ใครย็พัก ว, า, กวาโตเลยนะอ่าใช่ไหมคะพักกวาดพักววพกวาโตตอนนักการคําพายอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามครับเออจะไปแล้วสิเ <g ül> ยีถามดีไหไม่มีโอ้นักวิชการขับพายอาจารย์เมื่อวานจะจับจะจับเต่ากับปลาไหลให้ได้เลยค่ะรับอาจารย์อืม ไปปล่อยปลามาเลยจะกินจะไปจับที่เขาปล่อยคจับกินมาจับกิ้งคือโอเคค่ะจะกิ้งคือด้วคอยนี้ไดไหมก็ขอรองโอเคค่ะหนูหนูก็ไม่มีคำถามค่ะวันนี้ค่อนข้างดีขึ้นค่ะแต่มเมื่อวานดึ้อมากค่ะก็ดีแด่ ก, ก็เป็นไปตามภาษาเขาค่ะพระอาจารย์ต้องคอยสอนคอยห้ามไว้นะอย่าปล่อย บ่อแล้วก็เสียได้นะเพราะเขาไม่รู้ผิดถูกดีชั่วค่ะมีแค่คนเดียวที่ฟังเนี่ยค่ะไม่คนอื่นเขาไม่ฟังเลยค่ะต้องต้องดุบ้างอะค่ะพระอาจารย์ไมงั้นไม่ฟังไลยค่ะใครไม่ฟังคนอื่นอะไรคุณพักกวาร์ได้แะไม่ยอมฟังทําไมคนอื่นหนูไม่ใช่คนอื่นอนไม่ใครกับคนอื่นเขาจะพูดหมายถึงของคนอื่นค่ะของคนอื่นอะ คนอื่นอะไรเดี๋ยวค่อยคุยแม่แม่เหรอที่เมื่อเช้าูุไปโอเคค่ะบอกบจาาทีด่อ๋อมากลับลาแล้วบากับลก่อนจะบอกบอกแม่แม่อ๋อเมื่อม่ช้าเขาโดนแม่แม่ดุค่ะเขาโดนคุณยายดุค่ะไม่ใช่เจ้าที่จาหาที่ะจทีจ้านีม้งอแงแล้วค่ะว่าจา์ม่วงค่ะกลับนัสรชการเจ้าค่ะถากเจะแม่จะเจ้าที่ ได้รับของขวัญหรือยังยังไม่ได้รับเนยครับฮะของปวัญ น, นะครับมีใครส่งของขวัญมาให้หรือยังยังครับ ย, ยังไม่ไ ม, มีครับออยังยังคงต้องราไปก่อนมาเซอร์ไพรส์ครับโอเคส่งกันบ้านใช่ครับครับว่ามา เรา <scrap? S 2> มีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้ความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ <ceu? S 2> เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความต า, ตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะ <ishing S 2> <ๆ S 1> ต้องพลัดพรากจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแนนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงงาา่งอาศัยเร า, เราทำกรรมนะไรไว้เป็นวุตหรือเป็นบาปร<อ>เราจะเป็นทา ย, ยาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสิ้ภัยร<อ>เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนีทนทน้ทุกวันทุกวันเอืดเราควรทำกรรมอะไรดีทำบุญและอทำบาปดีทำบุญครับบาปไม่ทำนะครับ โอเคบาบเป็นเหมือนไฟนะบนเป็นเหมือนน้ําแข็งนะครับน้ําแข็งทําให้ใจเราเย็นบาบทําให้ใจเราร้อนนะครับรอนก็เป็นนรกเป็นอบายขึ้นมาใจาเย็นก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาโอเคแล้วร่างกายเรานี่เป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้าง ม, มีผม ขนเต็มปันหนังเนื้อเอนกระดูกเนี่ในกระดูกม้าวหัวใจตับถังเผือกไตปอดใสใหญ่ไสน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ในสมองศีรษะน้ ำ, นำดีน้ำเสร็จน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงื่อ น้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูดน้ำแข็ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำแข็ข้อน้ำมูดน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันพ้นน้ำเหงอน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำสเตตน้ำดีเกีนสมองสีสับอาหารเก่าอาหารใหม่ ใส้น้อยใส้ใหญ่ป อ, อปอดใจหูปิดตับหัวใจม้ามเยืนในกระดูกกระดูกเอน็นเนื้อหนั ง, นงฟันเนปส้นผมสวยงามแม่ร่างกายนี้แม่สวย<ช>ครับแล้วจะทำไงต้องเป็นโสดใช่ไหมใช่ครับ ดูนะจำไว้นะจะเป็นโสดจริงหรือเปล่าครับ<อ>โอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับโอเคคุณแม่อยู่หรือเปลเคุณแม่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้ครับวันนี้แม่ป่วยครับออโอเคเป็นโควิดเลยก็น่าจะเป็นแค่ไข้หวัดเฉยๆครับโอเคขอให้หาเร็วๆนะครับโอเคเอาทังนี้ก่อน ครับลาบขอบระคุณพระอาจารย์ครับน้องพีคุณแม่ใช่นั้งสมาธิหรือเปล่ากำลังจะเริ่มนั่งครับจะเป็นสมาธิห้องนี้ต้องหากนั่งสมาธิได้นะค่ะนคนทุกคนที่เข้าในห้องนี้นั่งสมาธิเป็นทั้งนั้นเลย ถ้านั่งไม่เป็นก็ต้องเข้ามาไม่ได้นะน้องนั่งดูไม่ยากหรอกนั่งหลับตาพุโทโธห้านาทีนี่มันยากตรงไหนเล่นเกมเป็นชั่วโมงยังเล่นได้ใช่ไหมทำไมเล่นเกมมันง่า ย, ยนนะี่ก่อเนาะมีความสุขมันเร็วมากครับเออ ขนาดขนาดครับเมืม่อเมื่อวานนี้อะคะ่ะไปไปไปวันเกิดไปบ้านคุณยายวันเกิดน้องพีสี่วันนะครับกอ็อยู่ดีอยู่ดีก็มาบ้านนี้ซะแล้วอยู่ดีก็กลับซะแล้วเร็วเลยแต่แต่ว่าทีอยู่ต้องอยู่ที่นี่นมันนานมากเลยค่ะเพราะมันได้เล่นเกมใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อยู่ที่บ้านนั้นได้เล่นเกมนอค่ะอืมแล้วได้ประโยชน์อะไรไหมเล่นเกมนะไม่ได้ประโยชน์คับได้ได้ได้แค่การคํานวณนิดหน่อยครับอืมการคิดค่ะอืมแต่ไม่ได้ธรรมะเลยไม่ได้ความสงบเลยสงบตอนนั่งเล่นเกมอออกจากเล่นเกมแล้วก็ เวลาเวลาทุกข์ใจเล่นเกมช่วยไม่ได้นะเวลาทุกข์ใจนั่งสมาธิช่วยได้นะใช่ค่ะสมาธินีเป็นเครื่องดับความทุกข์ใจเวลาไม่สบายใจก็นั่งสมาธิห้านาทีความทุกข์ใจก็หายไปแล้วานูในเวลาทุกข์ใจนั่งสมาธิแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมมันเกิด ปัญญาให้เราคิดว่าให้ให้ได้มองว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคสักวันเราก็ต้องตายจากไปแล้วก็ไม่อยากจะไปโกรธไปเกลียดใครอ่ะใครทําอะไรเขาก็ได้อย่างนั้นเออดีธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆใช่ค่ะทําแบบว่ารักษาใจหนูมากๆที่ผ่านมา อเพราะที่ผ่านมาก็เจอเรื่องทุกใจเจออื ม, อมแล้วก็เอาธรรมะมาดับว่าบางบางคนนี่ต้องฆ่าตัวตายในเวลาทุกข์มากค่ะไม่รู้จะดับความทุกข์ใจยังไงค่ะหโชคดีที่มีที่มีหลวงพ่อเป็นกำลังใจแล้วก็มีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นกำลังใจ ให้หนูได้เดินทางได้ถูกต้องคันก็ อ, อยู่ที่ตัวเราด้วยถ้าเราไม่สนใจก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์ค่ะต้อสนใจมาเจอศาสนาแล้วถ้าเขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งก็เหมือนไก่ได้พลอยใช่ค่ะวันที่ไม่สนใจพระพุทธศาสนานี่เหมือนกับไก่เวลาคุยหาอะไรก็หาดัดตัวนอนตัวไส้เดือนพอเจอ พอเจออะไรก็เขียดทิ้งไม่หมดกินไม่ได้คนสวัยนี้ก็เหมือนกันหาแต่ราบยศลาเสริญสุขกันพอต้องเข้าวัดนั่งสมาธิรักษาศีลทำบุญทำทานนี่ไม่เอาเลยเขียดทิ้งหมด <c oughs> เอาวันเดียววันเกิดวันขึ้นปีใหม่ <c oughs> คนคนก็จะคิดแต่ว่า ทำแค่วันเกิดวันอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แตสาหรับคนที่ปฏิบัติก็จะแบบใจก็จะมาทางนี้ตลอดถ้าเกิดว่าไม่มีธรรมะนี่หนูก็คงแบบคิดสั้นไปนานแล้วค่ะอืมก็ดียึดธรรมะไว้เป็นที่พึ่งของใจนะค่ะหลวงพ่อมีอะไรอีกไหมหลวงพ่อดีขึ้นหรือยังคะหายแล้วเพียงแต่เสียงมันยังอาจจะแหบนิดหน่อยค่ะ ขอให้น้องพ่อท่านขุขาดแข็งแรงนะคะสาธุค่ะนักศึกษาค่ะอ่าไปที่น้องทิมขอบคุณแม่อะไรได้เพิ่มเป็น7นาทีหรื อ, อยังน้องทิมน้องสมาร์ที่ได้7นาทีหรื อ, อยังได้7นาทีแล้วครับฮะได้แล้วครับได้แล้วเหรอครับแม่รับรองหรือเปล่า <laughs> <laughs> พูดคนเดียวไม่เชื่อนะ เจ็ดนาทีก็แต่ก็ถ้าเกิดเทียบกับสมัยแรกๆที่ต้องนั่งห้านาทีแรกๆค่ะพราะอาจารย์ตอนนั้นจะขันนู่นขันนี่ยุกยิกตลอดอ่ะค่ะอันนี้เจ็ดนาทีก็ยังมีแบบคือไม่ได้นั่งนิ่งแบบเป็นหุ่นนะคะแต่ว่าก็ยังมีแบบขยับขาขยับมือขยับอะไรบ้างค่ะคระบาอย่างนอ้อย่างน้อยก็ไม่ได้ลุกไปทําอะไรนะนั่งอยู่เฉย ไม่มีลุกเจ้าค่ะไม่มีลุกค่ะเขาพยยามให้เขานั่งเฉยๆเขาก็นั่งเฉยๆแต่ก็ อ, อย่างที่บอกยังมีขยับขาขยับมือก็ก็จะคอยสังเกตแล้วต้องคอยแบบเตือนเขาเขาแบบแลว่าให้นั่งนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบให้พยายามพุดโธไปอ่ะค่ะอาจารย์อื ม, อมต้องฝึกไว้ต่อไปก็จะได้ทําใจให้เฉยได้ค่ะ ก็ดีขึ้นค่ะตั้งแต่นั่งสมาธิค่ะก็เขาก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะในหลายๆเรื่องค่ะพระอาจารย์เป้าหมายหลักของการนั่งก็คือให้ใจนิ่งให้ใจสงบไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่า น, นี้ความนิ่งของใจนี่สำคัญที่สุดสามารถดับความทุกข์ได้ถ้ามีความนิ่งพระอาจารย์ มีอะไรไหมคุณฝ น, นวันนี้ไม่มีเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงนะเจ้าค่ะอขอมันได้ค่ะไม่ไม่ขอค่ะก็ภาวนาตั้งจิตอธิษฐานค่ะหนูตั้งจิตอธิษฐ า, า, านตลอดค่ะมั น, นก็ต้องเป็นไปตามอนิจจังอนัตตากนะ็ถ้าเป็นไปตามอนิจจังอนัตตก็ยอมรับค่ะแต่ว่าแต่ก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ถ้าก็ตามไหนก็ได้ตามไหนก็ตามนั้นค่ะพระอาจารย์ กับคำว่าคุณพระอาจารย์มากนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะไปที่ท่านต่อไปอาจารย์สุภัตตาอย่างนี้ต้องเรียกอาจารย์ได้ไหมกลับมัสการพอาจารย์เจ้าค่ะก็เริ่มทำงานแล้วเจ้าค่ะยังไงก็ได้เแต่ยังมาอะไรยังไม่เปิดนียนะนักศึกษามาวันที่สิบสอง สัปดาห์หน้าเจ้าค่ะอืเจ้าค่ะค่ะเจ้าค่ะตอนนี้ก็ประชุมแล้วก็เตรียมงานเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคสาธุกลับกับพระรย์คุณเอกคุณเอกเชียงรายขอนอสการพระอาจารย์ครับเออเป็นยังไงครับวันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็ร่วมรับฟังธรรมครับ ก็ปฏิบัติทุวันนะครับอาจารย์ครับไม่ขาดนะยังรักษาระดับการปฏิบัติอยู่นะครับผมุกเออ่ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนครับอาจารย์ตอนกลางวันก็เจริญสติครับออต้องไม่ถอยต้องเพิ่มหรือเท่าเดิมนะอย่าถอยอย่าลดลงนะครับไม่ถอยครับมีแต่พยายามจะเพิ่มจะเพิ่มขึ้นครับอาจารย์ครับเออถ้าอยากจะไปก้าวหน้าก็ต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับผมครับเพราะว่า ถ้ามานึกถึงมรณานุ้สติหรือความตายแล้วก็เวลามันเหมือนเหมือ น, น้อยมากเลยครับพระอาจารย์ครับนี้ไม่กี่ปีแล้วนะตอนนี้ก็อ่าใช่ครับเข้า ม, มาสองในสามแล้วมางเลหนึ่งในสามนั้ก็จบแนละ้วก็ก็ไปบัตินะครับเหมือนกับถ้าไม่ได้เข้าซูมพระอาจารย์ก็นั่งฟังข้างนอกแล้วก็เอถ้าหมดเวลาก็นั่งต่ออยู่ครับพระอาจารย์ก็เกือบเที่ยงคืนนะครับ พยายามนั่งนั่งอยู่ครับตอนเช้าก็ตื่นตามปกติครับอาจารย์ครับทสี่ครับถูครับถูกครับผมครับอเคส่วนใหญ่ก็ไม่มีคําถามนะไม่มีคําถามครับฟังาฟังมากันเยอะแล้วรู้หมดนะ้วรับไ่ต้องไปทําให้ได้ใ้ครับทุกบททุกบาทที่อาจารย์ไอ้สอนก็จดจํำไว้หมดนะครับก็ปฏิบัติเหมือนอาจารย์บอกว่าเหมือนเรารับประทานอาหารนะครับอาจารย์ครับครับผม โอเคขอบคุณพระอาจารย์ครับผมสาธุค่ะคุณตายเจนคุณตายพัธยาน้องกาญนรมาสการ์ค่ะพระอาจารย์ก็ก็ออยังยุ่งยุ่งอยู่แข่งงานค่ะพระอาจารย์เหมือนพระอาจารย์ว่าเลยคะ่ะมี อ, อะไรที่มันมากมันก็จะยุ่งแล้วก็จน ตอนนี้ก็จําไม่มีเวลาทําอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์ไม่มีเวลาสติเลยอันแต่สตางค์อย่างเดียวอยู่คนเดียวด้วยค่ะที่ร้านแล้วก็กับลูกน้องที่ไม่เป็นโยมก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครก็ต้องพึ่งตัวเองอ่ะพระอาจารย์ออทอนไปก่อนค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาโยมก็เอาธรรมะของพระอาจารย์มาอต่อสู้กับกิเลสในใจที่แบบ โลภมากของตัวเองแล้วก็สู้ก็ชนะด้วยค่ะพระอาจารย์ก็คือประมาณว่าโยมไปวัดรังวัดที่อะค่ะไปมีเรื่องกับคนข้างข้างข้างๆ ง, งที่เขาบอกว่าโยมเกินเขาเโยมทํารั้วค่ะพระอาจารย์ทํารั้วแบบว่าถมดินแล้วก็ทําให้มันอย่างดีเลยแบบทําให้มันแน่นหนาค่ะก็หมดไปหลายตางแต่ว่าเขาบอกว่ามันเกินไปที่เขาเป็นเมตรเลยอะไรอย่างเงี้ย โยมก็ว่าเอ้าตายแล้วเขาทำเกินหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะเชื่อกลมที่ดินอย่างเดียวโยมก็ต้องเสียเวลาไปให้กลมที่ดินอะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันวัดด้วยดาวเทียมอะค่ะพระอาจารย์<อ>มันลงตรงเป๊ะเลยแบบว่าถ้ามัน <c oughs> ค่ะแต่ว่าของโยมมาไปเกินที่เขาหน่อยหนึ่งประมาณประมาณแค่ไม่ถึงสิบเซนนะคะพระอาจารย์เขาก็ให้โยมอะตัดรั้ว โยมก็โอเคได้ตอนแรกเขาจะให้โยมอ่ะขุดเอาทั้งตอม่อทั้งอะไรออกให้หมดเลยโยมก็บอกว่าทิ้งไว้เป็นกำแพงกันดินไม่ได้หรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องออกอแต่พอวัดไปวัดมาข้างหน้าเขาเกินมาหาโยม hmm. เขาก็เกินมาหาโยมหน่อยนะครับอาจารย์ hmm. แล้วเขาก็หันมาบอกว่า เราเกินไปหาคุณตายคุณต่ายไม่ว่าอะไรใช่ไหมยอมก็ mm hmm. โห้ทีทีของตัวเองเกนินเกินมาบอกว่าให้ยมแบบอย่าไปว่าอะไรแล้วก็แล้วเราก็บอกว่าออย่างนั้นข้างหลังนี้เราไม่เอาออกได้ไหมก็คือเหมือนกับคนละครึ่งทางนี้ยเขาก็บอกว่าอย่างอื่นยอมได้ละไม่ไม่ต้องขุดก็ได้แต่ว่าเสาต้นสุดท้ายที่มันเกินไปแค่เนี้ยให้ตัดออกพระอาจารย์ mm hmm. ยมก็อทําไงดีก็ไม่อยากจะทะเลาะตัดก็ตัด โยมก็ยอมเขาหน้านพระอาจารย์เสร็จแล้วก็มีอีกด้านหลังด้านหลังมันหมุดของโยมอะอยู่ข้างในที่โยมอะที่โยมกั้นไว้เป็นหลายเมตรเลยค่ะพระอาจารย์ <c oughs> อคราวเนี้โยมก็ทํำยังไงดีข้างหลังมันเป็นสถ า, านะไม่ไม่ใช่สาธาณนะมันเหมือนกับว่าที่ของหมู่บ้านเก่าอะค่ะพระอาจารย์เขาเขาแบ่งแบ่งเป็นถนนแต่มันไม่ชัดเจนนะคะ นายโยมก็ไปทำรั้วแล้วมันก็เกินตอนแรกก็คิดว่าเออของเขาก็เราก็ตัดเสาไปข้างหลังก็ปล่อยไปแต่โยมไปโยมก็บอกช่างก่อสร้างว่าเออข้างหลังก็ช่างมันเถอะเขายังไม่มีใครเดือดร้อนแต่โยมมานอนนึกอีกทีอุ้ยที่ทํามาโยมก็ปฏิบัติดีทําบุญทําทานครูบาอาจารย์ก็สั่งสอนอุ้ยแค่นี้จะไปละโมบโลกมากโยมก็สอนตัวเองนะคะอาจารย์โยมก็บอกว่าอุ้ยอย่าเลยอย่าเอามาเป็นนี่เลย เขาให้รื้อก็รื้อรื้อดีกว่าจะไม่จะไม่จะได้ไม่ต้องมีปัญหาภายในภาคหน้าโยมก็คิดได้ว่าเออคำมากของพระอาจารย์ก็ช่วยเกาใจโยมแบบว่าดูว่าโยมโลภหรือเปล่าโยมก็ไม่โลภนะคะพระอาจารย์ดีแล้วถ้าไม่ใช่ของเราก็อย่าไปเอามันขยับขยับเข้ามาค่ะมันก็โดนหลายตังเลยพระอาจารย์คิดว่าทําบุญไปก็แล้วกันค่ะรักษาทํามไ้ไง จ <cam. S 1> ับอวัยเสลาซะเพื่อรักษาธรรมเนอะนั่นแหละค่ะอันนั้นคือแบบเอคําคําสอนของพระอาจารย์นี่เข้ามาในใจเลยแบบว่าแต่มันเข้าช้าหน่อยแต่ก็ยังถือว่าเข้าแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ยองปีนจ้มาก ๆ, ๆเลยค่ะที่มไม่โลภแล้วมันสบายใจใช่ไหมไม่มีอะไรข<ช>้างข้างใจถ้าเรา <c oughs> ถ้าเราไม่ทําความรู้สึกผิดมันก็ยังอยู่ในใจเราอยู่เรื่อยใช่ค่ะตอนที่เขาไม่มาตอนที่เขาไม่มาล้างวัดตอนที่เราไม่รู้เราก็ไม่รู้สึกอะไร แต่พอเรารู้แล้วเรารู้สึกว่าเราสั่งช่างไปอย่างนั้นก็นอนไม่หลับตอนเช้ามาก็ต้องไปบอกเขาว่าเออข้างหลังอ่ะให้รื้อออกเหมือนกันมันจะได้จบจบไปจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกับใครหรือว่าอนาคตแล้วก็ค่ะอาจารย์อันนี้เราที่ยอมดีใจมากๆเลยมากราบเรียนนะคะรินไว้ให้บริสุทธิ์นะค่ะอืมดีมากค่ะจากเาก็บคุณค่คราจาร โอเคให้คิดว่าตายไปก็ไปไม่ได้แผ่นดินผืนเนี้ใช่ค่ะเขาก็เอาไปไม่ได้เราก็ไปไม่ได้ใช่ค่ะได้แค่พื้นดินแค่นั้นอาฝังศพก็ยังฝังไม่ได้เลยใช่ค่ะนั่ใช่ค่ะพอาจารย์จะไปเอาทำไมใช่ไหมค่ะอ่าอืเดี๋ยวนะนะอยากไปอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็มากับเรียนว่านิสัยโยมก็พัฒนาความโลภมัน มันหายไปแล้วจริงๆค่ะพระอาจารย์เพราะว่าค่าเฉพาะยมหรือล้วนี่หลายแสนเลยค่ะพระอาจารย์เพราะมันกั้นยาวมากเลยอะค่ะเพราะว่าตัวที่มันกินยมก็ไม่คิดว่าโอ้โหถ้าถ้าลื้อนี่คือแบบโผเสียหมดเยอะเลยแต่ยมคิดว่าแต่มันก็ทําให้เราสบายใจมันต้องรื้อคุ้มค่าใจไม่เครียดใจไม่เครียดค่ะอืวันนี้มาก่อน มากับเลี้ยงอาจารย์ให้<า>ดีจไปยกยโยสาธุส า, สาคะ่ะขอให้พะาท า, ทาย่าายแงแรงนะคะสาธุสาครับสวัสดีคะคุณกอเสียสละไปอะไรบ้างเพื่อรักษาเสียน้าหนักได้ไหมสละน้าหนักได้ไหมเนียสละชีวิตไว้รักษาธรรมครับแล้วก็สละน้าหนักทีละนิด เท่ะน้ำหนักได้ปล่าเพื่อรักษาสินรักษาสิ้นแปดรักษาเมื่อสองวันที่แล้วตั้งแต่วันพัา ก, ก็รักษาสิ้นแปดครับแต่ว่าพอมาวันนี้ไปคุยกับอาแกบอกว่าเออให้ทานเีลาน้อยก็พอแล้วกขับนู้แต่น้อยหน่อยเข้าทางเราเลยใช่ไหมปี้เข้าทางเราเลยใช่ไหมคัดเคียวครับผจญอ๋อ ยังมีเรื่องเดิมอยู่ครับแต่เรื่อ ง, เ ร, องเรื่ององื่นก็พัฒนาไปได้ไกลแล้วครับอืาให้หน้าหายตาไปสายวันพี่ต้นบอกอยู่ว่าพระอาจารย์เป็นห่วพอดีผมติดหลายเรื่องนี่แนหะคอมพิวเตอร์ก็พุ่งซื้อใหม่ครับหน้าจอ27นิ้วแล้วก็การสื่อสารอะไรต่างๆเรื่องนี้ครับกําลังพุ่นอยกับการสื่อสาร ให้สังคมและคนหนึ่งรับรู้ครับว่าว่ า, ว, า, ว, าว่าเรามีศักยภาพครับอืมโอเคมีอะไรไหมไม่มีก็มีมีครั้งหนึ่งครับตอนนาล้วก็เห็นทะเลที่ที่มันเป็นชายทะเลแล้วเห็นตัวเองนลอยขึ้นสูงมากครับแต่เราก็ไม่ได้เป็นเจนาะไปพักผ่อครับแล้วก็ปล่อยให้มันอืไปแต่ว่าเราก็กลับเมืนที่ชายาเตาสติเมื่อกี้ครับที่น้อง จามแมทกับเจสตี้อาการสามสิบสองมันเป็นอาการสองที่แบบเมื่อกี้ัวนคิดก็เห็นด้อาการสามสิบสองดีกว่าเห็นอะไรทั้งหมดนะใช่ครับเห็นชัดเลยครับเห็นไุกครับเห็นพระ อ, อาจารย์อยู่ในใจด้วยครับพรอาจารย์อระอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่อื่นแล้วพรอาจารย์อยู่ในใจผมครับอืถ้ามีสติมันก็อยู่ถ้าไม่มีสติมันก็หายโอเคตอบเห็นหมดขนาดนี้โอ้โห ที่หลังติดติดติดสติ๊กเกอร์ธรรมะบนเขาด้วยครับคือได้ได้มาอันหนึ่งมันเป็นเขาที่โดดเดี่ยวอยู่ที่ตุลาอืมโอเคนะออทุกอย่างอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจทำทั้งโปวงนี่อยู่ที่ใจนี่ธรมาครับผู้ดใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อ, อาะขอขอนุโมทนาสาธุกับ พี่ในที่นี้ด้วยครับผมอยากถามคำถามคำหนึ่งครับว่ารายการกระแสธรรเนยากสามารถตัดกระแสกรรมของพวกเราได้ไหมครับได้ก็ตัดความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงไปเรื่อยๆตัดขัดแล้วก็ก็ก็ถึงผม พ, พชาติมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆสั้นลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เหลือเจดชาติเดี๋ยวก็เหลือเจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดวันมันก็ตัดไปเรื่อยๆ แต่ว่าไม่ต้องกลัวใช่ไหมครับถ้าคนสมมติว่าคนที่เขาเกิดภานาแล้วได้ตรงไปถึงธรรมเขาต้องกลัวอะไรมั้ยครับกลัวอะไรก็เปล่าเลยกลัวครับอ๋อความกลัวความรักชังกลัวหลงไม่มีในใจของผู้ปฏิบัติธรรมเข้าฌาปนกิจใจเป็นอเบคาสักตทวารู้วางเฉยทุกอย่า ง, างเห็นเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเป็นเหมือนฟองน้ําไม่มีสาระอะไรทั้งสิน้น ร่างกายของเราทุกคนเนี่ยเหมือนฟองน้ําชกเห็นเห็นฟองน้ํำไหมมันแตกไหมมันไม่แตกเลมันรวมอยู่แต่ว่ามันซักซอกได้ครับฟองน้ำหมายถึงว่าฟองน้ําที่ขัดหลังการหรือว่าเออแล้วมันอยู่ตลอดที่ไหอ น, นะมันโผลขึ้นมาเดี๋ยวมันก็แตกคลายไปธรรมะนี่คือแต่เกิดระดับเท่านั้นใช่ไหมครับร่างกายเราเหมือนฟองน้ำํำ เดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็หายไปแล้วหายได้ครับแล้วก็ดับได้ด้วยอันนี้ยังไม่ดับยังยังอยู่ยังเป็นฟองอยู่เดีไปวก็ดเดี๋ยวก็หาย อ, อย่าไปยึดอย่าไปติดกับอะไรเป็นของปลอมของหลอกครับเป็นฟองนะ้าไม่มีสาระอะไรทั้งสิ้นสาระอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความสงบ ทำใจให้สงบแล้วเราก็จะได้สิ่งที่เป็นสาระมีคุณมีประโยชน์ที่สุดนอกานั้นมันจะไม่มันมันจะต้องมีวันสิ้นสุดนักกายเราทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราเดี๋ยวมันก็หมดไปออก็เหมือนเดิมครับก็จะนำคำสอนไปปฏิบัติให้เพิ่มคูมขึ้นต่อไปครับผมเออเอาสินแปดให้ได้ก่อนนะนะ ครับอย่างน้อยอาทิตย์ละวันก็อย่างดีวันพักก็มี <ไป S 1> อาทิตย์ละวันเสาร์ครับนับเป็นเสาร์ไม่ใช่เสาร์ธรรมดาเป็นเสาร์โคโรเลยครับวันวันไหนก็ได้วันหยุดที่เราสะดวกที่จะรักษาศีนแปดก็รักษาไปได้ครับคนอื่นเขารักษาได้ทุกวันก็มีในห้องเนี้ยอย่างคุณคุณซันนี่นี่ก็รักษาศีนแปดมาตอรอยนะเจ๋งเลยว่า กำลังใจเขดีกับเราเนีจจสิ่งยั่วยนมันเยอะครับแถวแถวนี้ยครับอย่าไปโทษสิ่งยั่วยุเลยโทษใจเราโทษกิเลสของเราดีก่าครับครับอาจารย์อนุโมทนากับทุกคนดนะครับอือย่าไปกังวลกับเรื่องสิ่งยั่วยุนกังวลกับตัวกิเลสของเราเลยถ้าปราบถ้าเราปราบกิเลสแล้วได้แล้วสิ่งยั่วยนมันมีก็ไม่มีไม่มีปัญหาเลยจจะละครับอาจรย์ครับ ต้องพิจารณาธรรมะอสุภะเอื่อเสียงกินรล้อสุภะปฏิกูลภาษาสิครับปฏิกูลสี่อาหารเลเบลไม่ได้อย่า ก, กินแก น, นมนมเลยก็นึกถึงปฏิกูล <c oughs> ไม่เคยไม่เคยนึกถึงมันเลยเนี่ยที่ส่งข้อคิดเหแบบพ่อจ๋าไปก่อนจะกินาอาหารท่านไว้พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารก่อน มันเห็นตอนนี้ครับแต่ตอนจีนมันไม่เห็นครับตอนจีนมันไม่นึกก็มไม่เห็นด้วย้มันลืมไปแล้วมันเผอครับมันเห็นว่าเป็นอาหารอร่อยอันโอชะเลยออกิเลมันเก่งไหมมันเพิกใจเราจากหน้ามือเป็นหลังมือได้อย่างง่ายดนะายเวลาตอน น, อ น, นี้ตอนนี้มองเห็นหมดเลยปฏิกูลอะไรนี่เห็นหมดเลยแต่พอถึงเวลาเห็นขนมนมเะไรแค่ น, นี่ยมองไม่เห็นนะ้ ศาสตร์ได้ไหมครับอ้า<ะ>เห็นเป็นศาสตร์ได้ไหมครับเห็นอะไรก็ได้ทําให้เราไม่กินเหมอือนกันเราจะลองเอาไปดูครับคุณได้แนวแล้วครับอืมเห็นเป็นู้จจาระดีที่สุดผมไม่รังเกียจนะอุจจาระจริงว่ากินได้มาอย่างเงี้ยไม่ตังเกียดๆๆกินดูเ <c oughs> อ อคนพูดอย่างนี้ก็ต้องถามาเอามากินได้เปล่าอย่างนี้หมามันยังกินได้แสดงว่าคุณเป็นหมาอะไรก็ได้ครับพระอจากย์จะให้เป็นที่ว่าเป็นได้ผลอ๋อผมจะเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยครับออคชื่ อ, อพี่สาวชื่อพุทธพรครับ เ, เ, ปเป็นยังไงมันก็คนเก่าอยู่ดีคนจะได้รู้ไงครับว่ า, เ, าเปลี่ยนใหม่แล้วอันทําปฏิบัติสมาธิแล ออวยมันไม่มันไม่ดีขึ้นหรอกมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อมันเปลี่ยนตัวเราด้ยเปลี่ยนการ<บ>ความมระพฤตของเราจากการไม่มีศีลห้าไปให้มีศีลห้าจากการไม่มีศีลแปดให้มีศีลแปดเปลี่ยนชื่อผมไปผมชื่อศีลแปดดีกว่าอัตถศีลาให้เปลี่ยนชื่อชื่อไหนบุญก็ติดคุกได้นะในดีก็ติดคุกนะ แต่ถ้าทาศีลาปัญจศีลานี่รับประกันไม่แต่งคุกแน่นอนเชืช่อหมเชืครับเออขอบคุณพี่ดาแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องเปลี่ยนตัวเรานะเปลี่ยนชื่อแล้วต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเราให้ตามชื่อให้ได้นะชื่อดีแต่ถ้าตัวไม่ดีมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะโอเคจอข้างหลังก็นเห็นชัดหน่อยเพราะว่า จอหน้าจอมันใหญ่อะครับผมนี่น่าจะดีแล้วครับโอ <Okay. S 1> เคขอบคุณครับราอาารย์นะคุณสันนี่เจรนกอทมอร์แบงค <c oughs> กำำ์กอนกล่านมัสกันพระอาจารย์ค่ะยังสี่แปดทุกวันนเลยยังสี่แปดอยู่ค่ะพระอาจารย์เก่งนะ พอตอนแรกๆก็ก็มีท้อเหมือนกันที่เคยเป็นเออที่ตอนนั้นที่เป็นโรคเอกระดูกทับเส้นนะค่ะแต่ว่าหนูวันได้กําลังใจจากพระอาจารย์ด้วยค่ะพระอาจารย์บอกว่าถ้าถือได้ก็ดีทําให้จิตใจเราสูงขึ้นหนูก็เลยจําแล้วก็พยายามปฏิบัติพอปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรค่ะก็แค่กินอาหารน้อยลงมันก็สะดวกดีด้วยซ้ําแล้วก็ งดดูต่างๆก็พยายามเลี่ยงเลี่ยงไม่ดูพวกสิ่งบันเทิงต่างๆอันนี้สำหรับหนูก็ทรมานนิดนึงแต่เหมือนเลิกบุหรี่ะค่ะก็พยายามหักดิบเลิกไปอย่างเงี้ยค่ะส่วนข้อศีลห้าข้ออื่นปกติก็ถืออยู่แล้วแล้วก็ข้อ อ, อที่เรื่องเ อ, อถือพรมอาจารย์ก็โชคดีที่ไม่มีแฟนไม่มีครอบครัวค่ะก็เลยอันนี้ง่ายเลยเีค่อ<น>ะอาจารย์ ก็จะพยายามทำต่อไปให้ให้ถึงท <oh ี่สุดค่ะรักษาสิ้นแปลแล้วก็ต้องภาวนาด้วยนะเพราะมันเป็นของคู่กันค่ะพระอาจารย์หนูเพิ่งลงมาจากเขาชีโอนค่ะจะมาการปฏิบัติด้วยค่ะอยู่กี่วันมาสีวันสามคืนค่ะได้ผลดีไ้ยได้ความสงบไหม ได้ความสงบเย็นใจบ้างค่ะพระอาจารย์แต่ว่าจิตยังไม่รวมเพราะว่ามัวแต่ต่อสู้กับความง่วงแล้วก็ เ, เวทนาอยู่ครับ อ, อย่าไปหวังมันมากเลยจิตรวมนี่มันเป็นของที่ไม่ใช่เป็นของง่ายยิ่งไปอยากมันยิ่งทำให้เราเข้าถึงยากกว่าพยายามมุ่งไปที่การจรินสติให้ต่อเนื่องค่ะพระอาจารย์ ความความม่วงนี่เหมือนแบบหมัดซ้ายค่ะความความเวทนานี่เหมือนพุก ข, ขวาหรือไม่ก็ก้านคอถนูขึ้น<ม>ชกทุกรอบนี่ล่วงมาทุกรอบเลยค่ะยัง<ม>ยังไม่สามารถผลจากเวทนาได้เลยค่ะ<ม>แต่ว่าก็พยายามค่ะวันหนึ่งเราต้องชนะให้คิดอย่างนี้แพ้ร้อยครั้งแต่ถ้าพอชนะครั้งเดียวนี่มันคุ้มคุ้มค่าคุ้มเ ห, หนื่อยค่ะพระอาจารย์จะพยายามทา ปฏิบัติบูชาให้ได้ค่ะจะพากี่ทั้งไม่เป็นไรขอให้ชนะคั้งเดียวค่ะพระอาจารย์จะพยายามค่ะแล้วก็มีคำถามค่ะพระอาจารย์หนูสงสัยว่าตัวสัญญากับสังขารนะคะปกติมันอันไหนมันเกิดขึ้นก่อนกันหรอคะมันก็ทางานร่วมกันเอง พอคิดคิดถึงมืวานนี้มันก็มันก็ครุงแสงขึ้นมาน่าอยากจะไปทํำนู่นทํานี่เหมือนที่เราได้ทำเมืวานนี้มันไปด้วยกันส่วนใหญ่ก็สัญญาทาหน้าก่อนยังจําได้ไหมล่ะคิดถึงขนมนี่ก็สัญญาคิดถึงสัญญาคิดถึงขนมทั้งานายก็เอาไปหาขนมจินดีกว่าใช่มันจะไปไม่ต้องไปสนใจดบกแพนมากราดมาหรอมันเป็นมันเป็นทีม นามสัญญาสี่ตัวนี้มันมาด้วยกันด้วยนาสัญญาสังขารวิญญาณมันทํางานเป็นทีมไปด้วยกันเพราะมันเร็วมากใช่ไหมครมันเร็ว ม, มากไวเราจับตัวตัวที่สังขารตัวเดียวพอตัวที่ปรุงแต่งอยากจะอยากได้นู่นอยากได้นีอกกน่อยากกินนั่นอยากกินนู่นตัวนี้เป็นตัวปัญหาหรือถ้าตัวสัญญาก็ทิดเสียงโลเคขนมอร่อยก็ให้ที่เสียงอุจจาระบ้างอะไรอย่างเงี้ยสัญญา แล้วความง่วงถี่นะมิชานี่มันเป็นเวทนาด้วยไหมคะมันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งอารมณ์ที่เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปร่างกายมันก็ต้องการพักผ่อนตัวจะได้ย่อยอาหารไม่ต้องไปสนใจมันเป็นอะไรอ่ะให้นสนใจว่าเรากําจัดมันได้ยังไงปฏิบัติจะมันได้ยังไงอยาให้มันเป็นอยู่ประสาท กการภาวนาของเรานะแต่ก่อนที่หนูคคอปฏิบัติได้ค่ะเออความง่วงอะ่ะตอนนั้นหนูกำจัดโดยเหมือนกำหนดเห็นแสงสว่างแสงสว่างขึ้นแสงสว่างในในหัวค่ะแล้วมันก็หายง่วงแต่แต่พอครั้งนี้มันไม่มีไม่สามารถกำหนดเห็นแสงสว่างได้ก็เลยก็เลยเหมือนงงค่ะไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็ ทำให้รู้ว่าไอ้พวกแสงสว่างอะไรต่างๆนั้นมันก็เป็นอนิจจังใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงต้องมาแก้ที่เหตุด้วยเหตุก็คือจินมากเกินไปต้องอดอาหารดูถ้ามันมง่วงก็อดอาหารดูค่ะพระอาจารย์การปฏิบัตินี่ต้องกินน้อยๆมันถึงจะไม่ง่วงแต่จะถือมาตรฐานของคนที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ จะไปถือแบบคนที่เขากินสามื้อแล้วกินสองมื้อไม่ได้แล้วงปฏิบัติที่กินมื้อเดียวยังง่วงอ่ากินมื้อเดียวยังง่วงเพราะเรามันสะสมอาหารไว้ในร่างกายเยอะดูพระพุทธเจ้าอดต้องสี่สิบเก้าวันไม่มีไม่มีไม่มีไขมันไม่มีเนื้ออยู่เลยเนื้อแต่นังหุ่มกระดูกอ่าแลอาจารย์น้ำต้ม ตองใช้มาตรฐานของการปฏิบัติอดมือ่อกินเมือ่ออดวันกินวันก็ได้เราทดลองดูถ้า ม, ม, านมนันี่วงเนะถ้า ม, มาที่ปฏิบัติล อ, องวนไปทั้งสี่วันเลยก็ดูจะได้ไม่ระ บ, บากงจกับเรื่องอาหารเอาแต่เครื่องเดื่วมาเอาแต่น้ํำผลมไมาหรือ น, นมก็ได้กินง่ายๆป า, า, าะมาณภาวนาไม่ได้ม า, ม า, ม, ามาเที่ยวนะไม่ได้มา อามาพักรีสอร์ท้วมาภาวนาเเอาแค่ของเร็วๆมากินเนี่ยน้ำผลไม้ไว้ไว้เดือตอนบ่ายนมก็เอาถ้ากล่องตอนตอนก่อ น, อนเที่ยมพอลนะสบายไม่ต้องผนจะเบงเลยไม่ยุ่งย่างไม่ต้องน้างถ้วยล้างชาม้าอะไรยุเวลาภาวนาเป็นที่เลยรอบนี้ตอนแรก ลังเลค่ะตอนง่วงเอ๊หรือจะอดอาหารดีแต่พอแบบกิเลสมันบอกว่าเออเสียดายของที่เอามานด้ลยอาจารย์บังคับกิเลสตักิเลสของกิเลสนั้นมาฆ่าเราเใช่อฆ่าการปฏิบัติของเรา k n แล้วน n o อีกค่ะอาจารย์เชาวหน้ามาอยู่อยากลองตั้งใจวอนทหารในเรือนไม่ตายเรา เนื่องแต่น้ำผลาม้ตอนบ่าตอนหลังเที่ยงมาแล้วก็ได้ตอนตอนเชี่ยงก็อยากจะดื่มนมสักกระป๋องนักถ้วยสองถ้วยก็แล้วแต่ดื่มมากมันก็ไม่ดีเนะเดี๋ย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวท้องเดินนะนมดื่มเยอะมากมันเล่ท้องเดินนะค่ะพระอาจารย์หนูจะลองปฏิบัติ ด, ดูค่ะคราวหน้าแล้วมัมันจะไม่ง่วงแล้วมันจะมีมีพลัง เดินยนกมก็เดินได้ดีนั่งสมาธิก็ไ ม, ไม่ไม่มีการหลับประจิตต่อเนอื่องดีค่ะพระอาจารย์แล้วก็หนูลองที่เคยบอกพระอาจารย์ว่าลองทดสอบความกลัวค่ะไปอยู่ตรงที่มืดมืดก็เออไม่ไม่กลัวค่ะพระอาจารย์ไม่ตอนแรกก็ ตอนแรกก็กลัวก่อนก่อนจะไปก็กลัวว่าจะมีพวกสัตว์แมลงงูอะไรไหมก่อนไปนี่ดูถึงกับไปดูเพจงูนะคะว่ามีงูชนิดไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปพอไปลองไปจริงๆแล้วก็ก็ใช้คา้ถาว่ากายกายไม่ใช่ของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟขันหัดแล้วก็ลองดูค่ะสรุปว่าไม่มีความกลัวค่ะพระอาจารย์ พิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราค่ะลองพิจารณาว่าไม่เที่ยงหรอมันจะต้องกายค่ะอืมหมายถึงว่าถ้าวันนี้จังถ้าเราน่าซนเราบางวันจะนทําให้หายตัวค่ะพระอาจารย์แล้วก็นึกมาเลยค่ะคําของพระเจ้าที่ท่านตัดว่าแต่งสว่างเสมอปัญญาไม่เมีอค่ะอตอนนั้นเหมือนแบบรอบกายมันมืดไปหมดแต่ว่าในใจเราอะค่ะมัน มันสว่างอยู่อะค่ะมันไม่กลัวอืมเดีพร้อ ม, มตันพอไม่กลัวแล้วมั่ก็จะไม่กลัวไปตลอดนะก็ะยังกลัวอยู่ไม่ไม่กลัวนะคะพระอาจารย์แต่ก็หนูก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องทุกเขเวทนานี่ยังยังไม่ผ่านเลยคะ่ะอืม อันนี้ก็ต้องนั่งต้องนั่ให้มันเจ็บต้องนั่ให้มันเจ็บแล้วอย่าแบบขยับอย่าไปทําให้มันห า, ายท่นฝึกใจให้อยู่กับมันอยู่ด้วยสติก็ได้อยู่ด้วยปัญญาก็ไนดะ้สติกพ็พูดโธพูดโธไปอย่าไปสนใจปัญญาก็พิจารณาว่ามันเหมือนดินฟ้าอากาศเนาะถ้ามันไม่ได้ไล่มันไม่ได้ฝนตกแดดออกเราก็ต้องอยู่กับมันไปค่ะนะอาจารย์ จะนําไปปฏิบัติคะ่ะไม่มีคําถามอื่นค่ะโอเคอาจารย์เนี่บริษันทอนนั่นหรือไรเป็นยังไงไปพักคอยมาหรือยังยังค่ะสิ้นเดือนนี้ค่ะพระอาจารย์ เ, เดือนนึงเหรอกี่วันค่ะไปออมสักสี่วันสามคืนค่ะพระอาจารย์ไค่ะเป็นยังไงได้ค่ะแล้วก็เดือนหน้าที่หนูกลับเมืองไทยหนูก็จองขึ้นเขาไปแล้วมาเหมือนกันคะ่ะเออ ค่ะ <ừ m. S 1> เดือนกรกฎาคมค่ะพรอาจารย์ยกําลังพยายามสถานที่ว่าเพราะวันหยุดมันจํากัดอะคะ่ะกําลังพยายามสถานที่ว่าให้ที่ไหนที่มันเวลามันได้อะค่ะจะได้ให้ได้นานที่สุดค่ะพรอาจารย์จะมานานไหมหนูกลับหนูกลับเสร็จแลค่ะแต่ว่าหนูต้องทํางานด้วยอะคะ่ะแล้วก็หนิงก็แค่อทิตเดียวเองอะค่ะประมาณอืาทิตคนเดียวเลยพาลูกๆมาได้พาลูกเลย พาลูกไปด้วยค่ะแล้วก็บอกกับเขาว่าให้เขาไปปฏิบัติกับหนูโดยหนูไม่ <c oughs> จะได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะแต่เขาหนูก็บอกเขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเ อ, อเขาขับรถได้แล้วงไงคะก็พ่อเขากับหนูก็ช่วยกันซื้อรถให้ลูกแล้วหนูก็เลยบอกลูกบอกว่าขอได้ไหมว่าเออเนี่ยช่วยแม่ช่วยซื้อรถให้หนูขอให้หนูไปปฏิบัติธรรมสิวันอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ต้องไปติดกันก็ได้ไปเป็นช่วงๆไปทีละสองสาวันก็ได้อย่าเงี้ยค่ะ คือมันต้องมีต้องมีอะไรนเปลี่ยนใช่ค่ะแล้วเขาก็คงคิดว่าคุมเขาก็เลยบอกว่ายินดียินดีนด <ừ m. S 2> ที่จะไปปฏิบัติธรรมตอนแรกที่หนูจองขึ้นเขาได้หนูก็หนูก็ดีใจแต่หนูคิดว่าเขายังไม่พร้อมเขาไม่น่าจะไปกับหนูได้ <ừ m. S 2> หนูก็เลยคิดว่าสถานที่ที่ปฏิบัติแบบเป็นคอร์สตามตามคนอื่นไปก่อนแล้วก็ไปกับลูกให้เขาให้เขาปฏิบัติ <ừ m. S 2> ได้บ้านเราไปยังไปแบบคนเดียวไม่ได้หรอก วันนี้น <c oughs> พวกพกแอดแวร์ละ <c oughs> พวกก้าวหน้านะ <c oughs> พวก <c oughs> ลำต้นไปกินเนี่ย <c oughs> ต้องไปเข้าคอร์สกันค่ะ <c oughs> หนูก็กลัวว่าเขาไปแล้วเขาจะไปหลับด้วยเนี่ยเหรอคะเพราะเวลาเพราะว่าหนูหนูหยุดได้แค่อาทิตย์แรกไงคะแล้วเวลามันอาจจะยังปรับตัวไม่ได้ <c oughs> แต่หนูก็อลองสหสถานที่ที่เขาจัดจัดปฏิบัติธรรมช่วงนี้พอดีแล้วก็ลองไปสักสองสาวันกับเขาก่อนนะคะแล้วหลังจาก แต่ดูขึ้นเขาอีกรอบหนึ่ ง, งะะ <Okay. S 2> อย่างเงี้ยค่ะโอเคอะหนูก็ตั้งใจปฏิบัติค่ะพระอาจาราย์โอเคถ้าห น, น, นี้เราถ้องนี้เรต้องไปต้องไปปฏิบัติกันทุกคนนะเอนนี้เป็นปริญญาปริญญาตีจะศึกษาศึกษาแล้วก็ต้องไปปฏิบัติถึงจะได้ปฏิเวทได้มนุได้ผลผลคือทางสงบค่ะหนูก็ไม่รู้ออกมาเราจะเป็นยังไงนะคะพระอาจารย์แต่ก็จะ พยายามทำเต็มที่อ่ะคะ่ะทำเหตุทำเหตุให้ดีก็แล้วกันผลเราไปบงังคับมันไม่ได้มันอยู่ที่เหตุมีที่เหตุคคค่่่ะะะเราไปกําหนดว่าให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันอยู่ที่การปฏิบัติถ้าปฏิบัติดีผลมันก็จะดีค่ะแล้วหนูก็ตื่นเต้นยินดีมากที่จะได้ไปปฏิบัติ <laughs> ทุกจะไปปฏิบัติก็จะตื่นเต้นอย่างนี้ทุกครั้งเลยคะ่ะ<ด>แต่พออย่างที่พระอาจารย์บอกก็จะทําเต็มที่แล้วผลเป็นยังไงก็ ก็แล้วแอ่ค่ะอค่ะ <Okay. S 2> ค่ะไงขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะแล้วก็จิบเขาไม่หนูไม่ทราบว่าเขาเข้ามาได้หรือเปล่านะคะยังไม่ได้เห็นเลยัยงไม่ได้ดูค่ะถ้าเกิดยาแล้วจิบเขาเข้าไม่ได้ไงก็ฝากกลับพระอาจารย์ด้วยนะคะพระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะพระอ okay. จาจารย์คุณหมอภาชนะต่ออะไรเงไฟพิษส้นโลกมาแล้วเหรอ กลับมาวันนี้เลยค่ะพระอาจารย์แล้วพอ <Yes. S 2> มาทันก็เลยเท่าซูมค่ะขึ้นกลับ mm hmm. ก็ดีมากเลยค่ะอาจารย์ต้องขอ mm hmm. ขอบคุณพระอาจารย์คะเพราะว่าปฏิบัติที่เขาชีโอแล้วก็ไปวัดป่าสาะระน้อยไปวัดทําไปหลายที่เนี้ยมันทําให้พอมาที่เนี้ยก็เป็นป่าเหมือนกันก็สงบแล้วก็หลวงพ่อท่านก็ดุนะคะแต่ท่าเมตตา <c oughs> แล้วก็หลักสอนก็คล้ายๆพระอาจารย์เลยค่ะปฏิบัติเป็นยังไงสงบดี <c oughs> สงบมากเลยค่ะสงบเลยเพราะว่าอยู่ในเขาเนี่ยพระอาจารย์หางจากตัวเมืองประมาณร้อยโลค่ะอยู่บนเขาตรงแถวแถวชาตการสงบแล้วก็คนไม่ค่อยเยอะค่ะพระอาจารย์ที่นั่นก็นไม่มีมีแค่อุบาสิกาที่ทําครัวอยู่สองคนเป็นคุณยายแล้วก็เป็นพี่ตัวเองก็ตื่นเช้าเพื่ไปช่วยทําครัวแล้วท่านก็ออกพิทบาตรแล้วก็กลับเข้ามาตอนตอนเช้าก็ทําครัวตีฮะตื่นตีสามมานั่งสมาธิใช่ไหมคะแล้วก็ตีฮะไปทําครัว แล้วก็พอกินอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยบ่ายสามก็กวาดตาแล้วก็ตอนทุ่มหนึ่งมาสวดมนต์สวดมนต์แค่ครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็นั่งสมาธิท่านนำสมาธิต่อถึงสี่ทุ่มค่ะก็สงบอาจารย์ดีแล้วก็บ้านก็เงียบแล้วก็อาจคือจะอยู่บ้านเดียวๆนะคะอยู่ในป่าแล้วก็เดินจงกรมก็ดีมากเลยเพราะว่ามันมันก็เดินจริงๆต้องต้องขอบคุณที่ที่ไม่มีกีเก้เลยนะคะต้องขอบคุณที่เขาชีโอนกับที่สารน้อยอมัน มันทําให้เราชินกับปา่ามันเหมือนอยู่บ้านเลยวะจ้ะรู้สึกว่าไม่มีความกลัวมันเหมือนอยู่บ้านแล้วก็เดินสบายจ้ะแล้วก็นั่งสมาธิข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะปานก็เป็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้เหมือนกับมัอนกุฏิที่เป็นแบบแบบเป็นบ้านไม้ขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก<ม>็แล้วก็ท่านก็ใจท่านก็ไม่ตานะท่านก็พอพ อ, พอเสร็จแล้วเนี้ยคุยกับท่านอนะ่ะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอีกค่ะเดี๋ยวเดืนหน้าจะไปอีกไปเจ็ดวันท่านก็ท่านก็บอกว่าเออมีกําหนดไว้หรอมาวัดมีกําหนดหรออยู่บ้านไม่เห็นมีกําหนดเลย คือว่าให้มาวัดไม่ต้องมีกําหนดก็เลยเข้าใจค่ะพระอาจารย์ว่าเออจริงๆนะคือหลายๆอย่างฉันพูดฉันเทศฉันเทศเทศตลอดนะก็รู้สึกเออคือเข้าใจที่พระอาจารย์เคยพยายามบอกว่าให้ให้หาที่ปฏิบัติเพราะว่ามันทําให้เราเราเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วความความนิ่งมันก็เยอะขึ้นนะพระอาจารย์ ด, ดีมากๆความรู้จริงเกิดจากการปฏิบัติความรู้ที่เราเรียนรู้่นยังไม่เท่าความรู้จริง พระอาจารย์ก็ชี้เดีวว่าเนี่ยสองคนเพราะว่าพอคุยปุ๊บแมบอกว่าเจ็ดวันท่านบอกว่าเนี่ยอ่านหนังสือเยอะนะไม่ต้องอ่านแล้วมาปฏิบัติไม่ต้องอ่านเยอะมากเทินเอาแต่อ่านมาประบดี๋ยวบท่านท่านรู้มาสาวชอบอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกท่านดีเพราะชอบปฏิบัติไงแล้วก็ก็แบบท่านท่านบอกเองว่าให้มาบอกว่ามาน้อยไปมาแค่นี้จะเอายา น, น้อยไปให้มาให้มามันนานกว่านี้ค่ะ <ด>แล้วก็มีอีกคนหนึ่งมาเป็นครอบครัวท่านบอกเนี่ยแฮ่กันไปแห่กันมาตลอดเลยก็ไม่ไมาอยู่วันสักทีอีกครอบครัวหนึ่งเข้ามากันสาคนพ่อแม่ ล, ลูกไงคะเขาเข้ามามาทําบุญนะคะพระอาจารย์ก็พอฟังพระอาจารย์ท่านท่านบอกก็เออจิกเือนกันเออแล้วมันเข้าใจเหมือนที่พระอาจารย์สุชาติเทศบอกอ่ะว่าคือมันปฏิบัติแล้วก็ต้องทําปฏิบัติมากขึ้นเรื่อยๆค่ะต้องขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะมันสงบมากๆเลยสถานที่ดีค่ะพระอาจารย์ดีมากๆเลยค่ะคนน้อยเหมือนท่พอาจารย์ ได้แวเยี่ยมลูกชายด้วยหรือเอ๋อแวะค่ะก็ไปส่งขับไปสองคันเอารถไปให้คือเขาต้องเอารถไปใช้ไหก็ขับแล้วเขาขับตามไปดูเขาขับยังไงแล้วก็ไปเขาเขาเขาพิ่งไม่ทํางานนะหมายถึงว่าเขาตอนนั้นไปแรงงานตัวเนี้คือไปโรงพยาบาลแล้วก็ขับไปแล้วก็ค้างค้างอยู่กับเขาคืนหนึ่งแล้วก็ตอนเช้าก็ไปวัดเลยแล้วก็อยู่ที่วัดแล้วก็ตอนขากลับมาก็มาค้างแล้วก็มาหาเขาแต่ก็แต่ก็ทํางานอยู่เวียนคงกะยีิบสี่ชั่วโมงวันเว้นวันเพราะว่า ลหลวงพ่อบอกโอ้โ oh, หทำงานแต่ว่าจะหาทางพาเขาไปเพราะว่าเขาคือแบบตอนนี้ไม่อยากเลี้ยงหลานแล้วพระอาจารย์แต่ก่อนนี้ชอบเลี้ยงหลานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้แบบเออถ้าเขาเห็นมีดวงตาเห็นธรรมเขาจะได้ไม่ต้องแบบมีภาระอุปทานเพื่ อ, เ พ, อเพื่อทํางานเสร็จแล้วก็จะใช้ไปบวชไปอะไรได้เลยแต่ก็ไม่ได้อยากนะพระอาจารย์แต่ว่าพยายามให้เขาเข้าวัดเห <c oughs> มือนที่เรียนพ ร, าารนะอาจารย์อ่ะอยากให้เขาแบบไม่ต้องมาติดอยู่ในบวงยี่สิบยี่สกว่าปี <c oughs> เลี้ยงลูกโอเะ เดี๋ยวจะแบบตอนเ ด, ยเดียววันอังคารไปวัดนะคะพระอาจารย์วันพระค่ะอ่าคุณน่าคุณทีดด่จะมาหายหน้าไปหลหลายอาิตยหมอกันตผมมาเลตัดผมค่ะเมะื่อวานก็เข้าไปนั่กุฏิมาค่ะไปฟังทางพระอาจารย์มาเนี่ยรับไม่ได้เลยไ่ได้สังเกต <laughs> ค่ะพระอาจารย์ใส่แมส ด, ด้วยค่ะเ พ, พราะพอดีพี่เขาบอกว่าให้รักษะท่านขันพระอาจารย์พระอาจารย์ไม่ค่อยสบายค่ะ <laughs> ค่ะ ก็ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์เข้ามารับฟังธรรมค่ะปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะยังศีลห้อยู่วันนี้เสร็จศีลห้าค่ะดียังดีก็ไม่มีศีลเลยนะค่ะพระอาจารย์ยังน้อยต้องศีลหเป็นนิติศีลนะได้ค่ะศีลแปก็เป็นวันพ <นะ S 1> ิเศ ษ, ษได้ค่ะพระราอาจารย์ดีค่ะอะไรที่คุณแนนอุดมฐาน น้อมการน้อมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะดูกไม่มีคาถามเจ้าค่ะโอเคใจคิดคุณหมอสองท่านหมอเน่กับคุณหมอต้านอมสการรอาจารย์ครับครับวันนี้พระอาจารย์ดูเสียงดีขึ้นมากเลยเออเกือบจะเป็นสติแล้วครับพระอาจารย์ครับครับผมอาการต่างไม่มีแล้วอาจารย์ใข่อาจารย์ไออะไรังไดีนะครับพระอาจารย์ ก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ก็ยังอยู่ในระดับพอพอเดิมแล้วก็ถือสินห้ายังได้สินห้าอยู่ค่ะยังขยับไปไม่ถึงสิลแปดสักทีค่ะพระอาจารย์ก็ยังดียังดีครับอย่าพื้นฐานให้มีศินห้าไว้ขอบคุณจริงๆจิ<ม>๊บครับปิดประตูอบายปิดประตูอบายไว้ก่อนถ้าสินห้าแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปอาาบายจริงจริงเมื่อเมื่อ เมื่อทั้งสองสามปีก่อนเราก็เคยคุยกันว่าจะมีเรียกว่าสีลแปดอ่จจะเดือนละหนึ่งถึงสองวันนี้ครับแต่ช่วงหลังทําไม่ได้ครับอาจารย์แต่เดี๋ยวจะพยายามต่อไปครับแต่เรตอนนี้ก็สี่ห้าเป็นพื้นฐานที่พระอาจารย์ว่าถ้ามีเงานเยอะมันก็ทําไม่ได้ต้องไม่มีงานครับพอวันหยุดมันอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะกิเลสด้วยค่ะพระอาจารย์แบบวันเสาร์ที่แบบได้หยุดเป็นเต็มก็อยากจะแบบ ไปกินอะไรตอนเย็นผ่อนท้าความสุขกายนอนเด็กเดกตื่นสายสายคือสมมากสมมติแต่ถ้าเรื่องตื่นจะตื่นเช้ากันอยู่แล้วค่ะก็จะแบบมันไปออกกาลังกายแต่ว่าแต่เรื่องแบบถ้าถือสี่แปดก็จะมีเน้นเรื่องของไม่ดูสื่อแล้วก็ไม่ไม่กินข้าวเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเหมือนแบบพักผ่อนเป็นวันพักผ่อนก็เลยแบบ ยังเป็นอุปสรรคแต่ว่าพอมาฟังในห้องนี้ก็จะแบบเกิดกําลังใจขึ้นอีกนึงว่าเออมันน่าจะต้องแบบอัปเลเวลบ้างน่าจะเดี๋ยวจะพยายามพัฒนาค่ะใช่ยังมีรางวัลที่ดีกว่านี้รอเราอยู่ข้างหน้าค่ะใช่ค่ะมีศีลมีสมาธิมีปัญญารอเราอยู่เดี๋ยจะทําจะเข้มแข็งมากขึ้นค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุครับขอบพระคุณครับ อคุณสาธกาต่อตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ชายน้าฏเนี่ยตมาเขาค่ะมาเขาเหมือนกันเลยมาแบบเงียบๆมันไม่บอกไว้ก่อนอนะค่ะก็มาใจอผมไม่ต้องบอกอ่ดีแล้วแหละเก็บไว้อเสื้อซ่อนเล็บดีกว่เอาแมวล้กันไม่ด้วยยัเป็นหมาหมาชอบเห่าะ <G ül> <laughs> <laughs> เป็นแมวก็เป็นแมวก็เป็นเสือดีกว่านะค่ะปฏิบัติค่ะพระเจ้าโาา okay. อเคสาธุอยู่กี่วันเจ็ดวันค่ะหวันเด็ดค่ะอันนี้เหลือกี่วันเพิ่งมาวันนี้ค่ะเพิ่งมาเองค่ะยัไ้ไต้องปรับตัวมากไหมไม่ต้องไ ม, ไม่ต้องนะคะไม่ต้องนะสบายเลยนะสบายเบาโอเค okay, ดีค่ะ ดูไม่ถอยน ะ, ะค่ ะ, ะคุณหมอสุธทธาธนียาปทุมธานลีลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะท่านพู้อาจารย์โอเคปฏิบัติอยู่นะปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะโอเคเห็นไปที่คุณนิสา LA เอน้อมกับนมัส ก, การค่ะอ า, า, าจา ร, าร ย, าย์เมื่อสวก่อมีญาติโยมมาจากโรสเมดก็บอกมาจาก l ออ รสมิใช่ไหมอยู่แถวนนะั้นรอสมิอ่างนอสมิดน่าจะอยู่ตรงเลยภาซาดิตรงภาซาดีน่าเลยไปฟังการเรียนแถวนั้นค่ะอาจารย์ อ, อยู่โซนนั้นนะคะะอาจารย์ก็สําหรับลูกก็ปฏิบัติเหมือนเดิมคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็เหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมามันจะมีแบบช่วงหนึ่งที่แบบตอนนั่งสมาธิอะค่ะพระอาจารย์แล้วเราวลูกดูลมอะค่ะจาก ปลายจมูกค่ะพระอาจารย์แล้วพอลมมันหายเนีิดมันจะเกิดแบบเหมือนเป็นภาพกระโหลกศีรษะตัวเองอะค่ะพระอาจารย์มันก็ก็ได้ก็ันดูไปเฉยๆไม่ต้องไปทําอะไรรู้รู้สึกว่ามันมันสงบดีค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ลูกไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ลูกไม่ได้ตั้งใจนะคะหรือว่ามันไม่ต้องไปรู้อะให้รู้ว่ามันรู้วิธีปฏิบัติกับมันก็คือให้ให้ลูกเฉยๆไป ค่ะ <C> e <an> ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องชอบอะไรไม่ต้องรักไปชังไม่ต้องรักไม่ต้องชังรูอออ้ใหม <ๆ S 2> ลู้ลเฉยเฉยใช่ไหมคะ่ะเหมือนใจมันจะเหมือนใจมันจะชอบว่าค่ะพรอาจารย์เหมือนชอบก็ก็รู้เฉยเฉไปชอบเดียววันมันหายไปก็จะเสียใจ อ, อ๋อค่ะค่ะแต่พอหลังจากออกจากสมาธิลูกก็คิดถึงเรื่องเหมือนกับอาการ32อย่างเนี้ยค่ะพอาจารย์ดี แสดงว่าปัญญาเริ่มเดินแนล้วมั้งสาธุค่ะอาจารย์เริ่มเดินแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ก็แต่แต่เวลาในอยู่ในสมาธิอย่าอย่าอย่าอย่าใช้ปัญญาให้มันีค่ะค่ะให้มันเพ่งอยู่กับอาการเดียวค่ะมีมีบ้างตอนแรกที่มันออกที่มันเห็นภาพกระโหลกแล้วเหมือนกับเห็นว่าเราแบบมองมองรูหายใจจากกะโหลกแล้วมันแบบก็มีแบบเหมือนตกใจนิดนึงนะคะว่ามันมาได้ยังไงก็เลยทําให้ เหมือนสติมันออกมาค่ะพระอาจารย์ก็ต้องถือว่าการปฏิบัตินี้อะไรก็มาได้ทั้งนั้นนะมันอย่าไปอย่าไปกำหนดว่าไอ้นี้มาไม่ได้อ้นั้นมาไม่ได้ทุกอย่างไปนันาตาหมดเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ให้ <c oughs> เรารู้ทันมันแล้วก็ปล่อยวางทั้นนี้รู้เฉยๆไป <c oughs> อย่าไปอยากให้มันาหายอย่าไปอยากให้มันไม่มามันจะมาก็มา แล้วแต่จิตที่เราแบบว่าเราบางทีมันมีสัญญาติดอยู่ใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่แล้วแต่มันหรือมันตุงแต่งขึ้นมาก็แล้วแต่แต่มันรู้สึกว่ามันสงบ ด, ดีค่ะพระอาจารย์ออก็าจจะแบบเป็นจุดโฟกัสที่ว่าเราเหมือนกับเวลาเราลมหายใจมันหายไปอ่ะค่ะพระอาจารย์เราก็คงพยายามหาแบบจุดโฟกัสว่าเราจะ นึกถึงลมหายใจที่มันหายไปมันก็เลยเกิดภาพแบบปรูแบบโครงก็โคงหน้าโค้งกระโหลกของเราเองนะคบอาจารย์ถ้ามันทำให้ใจเราสงบก็ใช้ได้ถ้ามันทำให้ใจเราคุ้งเราก็ต้อง เ, เราก็ต้องใช้สติหยุดมันค่ะอาจารย์อาจจะเป็นทางนี้หรือเปล่าไม่ไม่แนจจ่ใจว่าแบบรู้สึก ร, รู้สึกว่ามันใจสงบ <c oughs> ไหคะอาจารย์ก็ดูไปดูไปนคะ ทั้งง่ายทั้งเดียวมันยังไม่ไม่สามารถสรุปได้ามันเป็นอะไรดูไปเรื่อยๆดูลแล้วค่อยประมวลจากประสบการณ์อีกทีหนึ่งตอนนี้ก็รู้ไปรู้ว่ามันเป็นไม่อันนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไป อ, อันนั้นตาเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้อาจารย์อย่าไปทุกข์กับมันอาจารย์ะเวลาภาวนาไม่ว่าจะป่าป่วยขึ้นมา ถ้าเรามีอะไยึดเหนี่ยวจิตใจก็กลับมาที่สิ่งที่เรายึอดอยูถ่ถเราใช้พุโทโธกับวันที่พุโทโธถ้าเราใช้ลมก็กับมาที่ลมถ้าไม่มีลมก็ก็ให้รู้เฉยๆไปผู้เรียนะอต่ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจอย่าไปินดียินไล่โอเคค่ะขอให้อาจารย์ทัดขันแข็งแรงค่ะเสียงดีแล้วขาขาค่ะอาจารย์ ถึงคุณแอนต่อแอนตอนนี้อยู่ที่ไหนอ่าการนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะมาออสเตรเลียได้สามวันแล้วค่ะร้อนหรือนาวที่ตอนนีโอ้ยหนาวมากค่ะหนาวเลยเช้านี้นเจ้าค่ะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะอืค่ะมาอยู่สองเดือนที่บอกหลวงพ่อว่าอลางานมาดูดาพี่สาวอะค่ะออพี่สาวไม่สบายแล้วก็ เหมือนเป็นการซ้อมซอมตกงานสองเดือนอ <laughs> ไม่เป็นเ <laughs> งินเดือนอค่ ะ, ะได้รู้จักประหยัดมากค่ะก็ดีค่ะหลวงพ่อมาอยู่เบาสามวันนี้ก็รู้สึกมันยังไม่ไม่ไม่ไม่ชินแต่ว่าก็รู้สึกสบายดีไม่มีไม่มีห่วงเรื่องงานเหมือนตัดเรื่องทางโลกไปได้เรื่องหลักไปได้หนึ่งเรื่องอค่ะยังยังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวสองเดือนนี้จะลอง จะลองเริ่มถือศีลแบบที่อาทิตย์ศีลแปดสักอาทิตย์เราสองวันถ้าเป็นไปได้อะค่ะค่ ะ, ะพี่สาวอยู่คนเดียวเนอยจริงๆพี่สาวอยู่กับพี่เคยเนี่ยละค่ะแต่ว่าวันหนูมาอยู่คิดว่าจะได้ช่วยเบาแรงเขาได้เพราะว่าพี่เคยก็ต้องทำงานประจํามาค่ะแต่จริงเขาก็ work from home ได้ค่ะแต่ว่าเหมือนกันหนูมาหนูก็มาช่วยดูแลเรื่องเรื่องบ้านช่องอทําอาหารในเนี้ยค่ะ นั่นก็เป็นหนาที่ของเราอยู่แล้วเลยนะค่ะก็ก็ดีค่ะได้มาเหมือนกับว่าอยู่กับพี่พี่น้องนานๆมันมันได้サポーตกันทําได้ได้ทำได้ทําบุญด้วยได้ได้ช่วยสละค่ะเพราะว่าก็แตอยู่นี่ก็อยู่คนเดียวเขาก็ต้องทําเองเขาเขาก็คงจะลําบากหน่อยช่วงนี้เพราะว่ามีผ่าตรงผ่าตัดอะไรด้วยต้องผักฟื้นเนี่ยค่ะพี่แท้ๆเลย พี่และแท้ค่ ะ, ะคนคนละคนละแม่ค่ะแต่ว่าโตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเลยสนิทกันค่ะเมตตากันนะเมตตากันนะก็มีกันมีกันอยู่ไม่ไม่ไม่กี่คนนะคะที่ที่เมตตากันมาตลอดไม่ได้มองว่าเป็นพี่น้องแต่มองว่าเป็นคนที่ที่เราสมควรจะจะทำดีด้วยะคะ่ะเราก็ทำดีให้กั น, น, นค่ะ ที่รเราปฏิการสร้างเมตตาบางมอิญไปในตัวถูกแล้วคค่ ะ, คะเขาเไม่มีไม่มีที่พึ่งนะเขาถ้าไม่เราไม่มาเขาก็ต้องอาจจะต้องก า, ายหน่อยนึงเพราะว่าทั้งทั้งไม่สบายด้วยอะไรด้วยนะคะจะให้ท<ม>ําบ้านทําอะไรก็น่าจะยากหน่อยนีม่มามแล้วแค่สองเดือนยังคิดอยู่ว่าถ้าอยู่ได้นานกว่านี้คงจะดีอะไรเงี้ยแต่<ม>เราก็ยังต้องหาเงินเห ม, มือนกันยังต้องทำงานอยู่นะ ค่ะยังต้องยังต้องกลับไปทํางานเก็บตังค์นิดนึงค่ะค่ะแน่นอนแล้วเที่ยงนี้ก็จะได้มีเวลาปรับปรับตัวเราเองว่าเป็นยังไงตอนที่ไม่มีงานทําแล้วอยู่ได้ไหมจริงๆชอนะคะหลวงพ่อรู้สึกแบบว่า อ, อีกสามปีรังสือว่าเร่งทุกวันนี้คิดถึงว่าเมื่อไหร่จะได้ออกจากงานอะไรเงี้ยแต่แบบออกแบบดีๆนะคะไม่ได้ออกแบบไที่ออกแบบหมดสัญญาหมดสัญญาสามปีอีกสามปีแล้วเราก็คงจะเบาตัว นี<ม>น่ีแค่แค่อลา ง, งานมาสองเดือนแล้วแล้วเหมือนกับเราเราอ่าตั้งใจว่าเหมือนกับว่าก็ เ, าเรียกนะคะร อ, อวันที่จะได้ได้หยุดสองเดือนเนี้ยค่ะพอ<ม>ได้มาหยุดจริงๆนั่นสึกมันมันผ่อนมันเบาใจไปเยอะเลยว่าอย่างน้อย<ม>เราก็ไม่ไม่มีเรื่องที่ต้องกังวลเรื่องที่ต้องตื่นไปทํางานต้องไปพบปะผู้คนไ ม, ม่ต้องทําอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าถ้าได้หยุด ทำงานจริงๆก็น่าจะพร้อมเพียงแต่ว่า<ม>ต้องทำงานเก็บเงินไปอีกสักหน่อยหนึ่งยากไหมสองเดือนนี้ไม่ยากค่ะจริงๆบริษัทหนูเขาดีอะค่ะหลวงพ่อเขา<ม>เขาเขาอนเขาพร้อมที่จะให้พนักงานหยุดถ้ามีมีเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเราสุขภาพหรืออะไรเงี้ยค่ะเพียง<ม>แต่มันก็จะเป็นการเขาเรียกว่า leave without pay ก็คือไม่ได้เงินอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แต่คือถ้าเรามีความจาเป็นก็คือขอเขาได้ นี่พ่อบอกว่ามาดูแลพี่น้องเป็นคนในครอบครัวอย่างเงี้ยเขาก็อนุญาตให้เลย hmm. ค่ะก็ดี hmm. ค่ะจะถามหนูพ่อกับถามหนูพ่อนิดนึงค่ะคือหนูสงสัยคนเรื่องเกี่ยวกับการถือสีนล้นะคะอย่างคนที่สมมติว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะรักษาสินห้าหรือสินแปดแต่ตัวโดวยโดยส่วนตัวเขาเป็นคนที่มีศินตรงนี้อยู่แล้วอะค่ะ แล้วเขาก็ไม่ได้รู้รว่าเนี่ยคือศินว่าจะเป็นสินห้าหรือสินแปดก็ตามแต่ตัวเขาทําทําอย่างนี้มาตลอดถือสินมาได้ตลอดอย่างนี้เขาเรียกว่าคนคนนี้ยถือสินไหมคะหนุ่มพ่อคือบางทีมันเป็นนิสัยเขาติดมากับชาติย่อนตอนเขาเคยฝึกพนอบรมหรือว่าภายในใจสำเน็จเขาเขามีความเมตตาเขาก็เลยไม่อยากจะเบียดเบียนคนอื่นค่ะอย่างนี้เท่ากับว่า เขาเขามีศีลอยู่แล้วโดยที่เขาเขาจําเป็นต้องต้องต้องมาถือศีลหรือว่าบอกตัวเองว่าเขาเรียกอะไรนะคะ<โ>อารัตนาศีลอย่างอีกไหมคะหลวงพ่อเอ๋ อ, อไม่จําเป็นอ่ะไม่จำเป็นตัวศีลอยู่ที่ตัวกระอยู่ที่อยู่ที่ตัวกระทําการกระทําของเราถ้าเราไม่ทําบาปแล้วก็มีศีนลนะถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็มีศีลเราไม่ลักทรัพย์เราก็มีศีลก็หมายความว่าคือถ้าถ้าถ้าแค่คุณคนนั้นเขาเขามี มีความดีตรงเนี้ยคือมีศีลห้าข้อโดยที่ถึงแม้ก็จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามว่านี่มันคือคือการถือศีลเขารู้เขารู้ว่าการกขาทาทำร้ำายผู้อื่นไม่ดีเขาก็ไม่ทำํำ<ะ>เขาต้องรู้<ะ>เขาอาจจะรู้ดูว่าถ้าเราเป็นเขาแล้วเราไปทําคนอื่นเขามาทาร้ายเราเราจะรู้สึกอย่างไร<ะ>คนที่มีศีลมักจะคิดในมุมกับเสมออต่<ะ>เรา<ะ>ถ้าเราไปฆ่าเขาแล้วถ้าเขากลับมาฆ่าเราจะรู้สึกอย่างไร คนจะเป็นแบบนี้คนที่คิดแบบนี้แล้วมักจะไม่ไม่อยากจะไปทําร้ายใครหนูหนูแค่สงสัยเพราะว่าหนูอหนูแค่สงสัยว่าในในทางปฏิบัติที่เวลาเขาบอกว่าอก่อนเราจะนั่งสมาธิหรือก่อนหรือในวันพระเราต้องอาราธนาศีลก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำว่าอาราธนาศีลคือมันจําเป็นไหมคะหลวงพ่อคําว่าอาราธนาศีลก็คือความตั้งใจไง่ตั้งตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาศีลก็คือตั้งจิตอธิษฐานว่า วันนี้เราจะไม่กินไม่ดืม่มสุรายาเมา่าปุยแงอา่าปกติใครเดิมอยู่ทุกวันแต่วันนี้จะถือเป็นกรณีพิเศษไม่ดืม่มแล้วก็จะไปอาราธนากับใครก็ได้ไม่ไม่ไม่อาราธนากับใครก็ได้อยู่ที่ตัวเราบอกตัวเราเองวันนี้ไม่ดืม่มก็ถือว่าเราคาราธนาศีเนะื้อความหมายก็คือความตั้งใจจะกระทําอนใดอย่างใดอย่างหนึง่งหรือไม่กระทําอะไรอย่างใดอย่างหนึง่ง ก็งั้นก็ควรจะอราอราธนาทุกวันไหมคะหลวงพ่อจะได้เหมือนกับเป็นการตั้งตั้งสัจจะว่าวันนี้เราจะต้องทําให้ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะบางคนถ้าไม่ไม่อาราธนานี่ก็อาจจะแบบว่าอาจจะเป็นข้อนั้น<ะ>ข้อ ต, ต, ตั้งแต่ตุกวันแล้วว่าเราจะตั้งขนเดียวบอรักษาไปตลอดอะไรก็ได้วไม่ต้องกลัวยังไม่มั่นใจตั้งโดยอย่างไบค่ามดค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยไม่ตั้งใจหลวงพ่อ มันก็ถือว่าผิดนะคะอย่างเงี้ยเราไม่ไ ถ, ถ้าไม่ตั้งใจไม่ผิดอะไม่บาวแต่ก็ยังแต่ก็ยังมีโทษเพราะไปทำความเสียหายกับผู้อื่นผู้อื่นเขาก็กลับอาจจะกลับมาทำร้ายเราได้แต่ไม่เราจะไม่ได้ไม่ต้องไปอบายเพราะการกระทาบาปของเราเพราะเราไม่ได้ทำบาปนี่นี่ตอนช่วงนี้หน้าฝนนะคะก่อนที่จะมาออสเตรเลียคืออยู่ที่บ้านนี่หนู หนูทำผิดศีลฆ่าสัตว์แบบแบบเยอะอะค่ะเพราะว่ามดมันเข้ามาในบ้านเราจะกวาดจะอะไรเดินไปตรงไหนก็เจอเลยแบบว่ารักษาศีลไม่ได้ข้อนี้ยเจอมดก็แบบว่ากวาดไปก็เอาไม่รู้ไปทำก็ตายแล้วก็แล้วก็เอาเดี๋ยวนี้ก็มีช่องให้เรามาขีดขีดขีดหน่อยพอมันได้ขีนมันก็จะไม่กลับมาโห้มันไปทุกที่มันไปทุกที่เลยค่ะตรงไหนวางอะไรมีแต่ ถ้ามันไปทุกที่เพราะมันมีทางเดินไปไงแต่ถ้ า, <ạ. S 2> ถาเราถ้าเราตัดทางเดินมันไปต่อไปมันก็ไม่ไป่ <ạ. S 2> มันเหมือนถนน่ะถ้าเราตัดทําให้ถนนขาดมันก็จะไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ <ạ. S 2> มันก็จะเดินทางกลับจากที่จากจุดเริ่มต้นของมันค่ะตอนนี้มาตอนนี้มาออสเตรเลียแล้วไม่มีไม่ต้องห่วงเรื่องสัตว์เล็กสัตว์น้อยค่ะไม่ค่อยมี <ạ. S 1> <laughs> ไม่ค่อยมีมาให้เราเห็นกังวลใจอ่ะ แล้วก็มีอีกคําถามค่ะหลวงพ่อขอ อ, ข อ, อ, อนุ ญ, ญาตเจ้าค่ะที่สัปปยายะนี่ค่ะหลวงพ่ออย่างสมมติคนเราคนเราถ้าอยู่อปฏิบัติภาวนาเนี้ยที่ทสัปปยายะคือที่ที่เหมาะสมในการปฏิบัติในการ ส, สัปปะยะนี่แปลว่าสบายาที่ไหนที่เราปฏิบัติแล้วเราสบายสบายกายสบายใจที่นั่นก็เรียกเป็นสัปปยายะ<า>ถ้าที่ไหนอยู่แล้วไม่สบายก็ไม่สัปปายะ นี่สัพยาะนี่ท่านมีท่านมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันสถานที่สัพยาะอาหารสัพยาะบุคคลสัพยาะอากาศสัพยาะถึงอันนี้มันมันเป็นตัวที่จะจะจะให้เราการปฏิบัติของเรานี้มันสบายหรือไม่สบายบางบางทีที่ดีคือที่สงบสําหรับนักปฏิบัติที่ที่จะดีที่สัพยาะคือที่สงบ ไม่มีไม่มีกิจกรรมวุ่นวายต่างๆนถ้ามีกิจกรรมวุ่นวายนันก็ไม่ไม่ดีไม่สปัปปายะนะบุคคลที่เราอยู่ด้วยเขาปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหรือเขาทํากิจกรรมอย่างนู้นอย่างนี้ต้องนาทําเพลงนานำมาปฏิบัติมันก็ไม่สปัปปายะมันขัดกัน อ, อาหารที่เรากินนี่ล้วเป็นอาหารที่เรากินได้ง่ายไหมแล้วเราต้อง บ, งบังคับฝืนกินไม่ใครกินอาหารนี้มาก่อนอ แล้วกินแล้วทําให้ทํา้อง เ, อเสียหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ <c oughs> อันนี้อาหารสัพพายะแล้วแล้วแบบนี้มันจะทําให้เราเหมือนกับมันด้วยความที่มันสัพพยะมันจะทําให้ให้คนปฏิบัติติดสบายไหมคะว่าโอมันสบายจังเลยมันเราปฏิบัติได้แต่แต่หนูเห็นอย่างอย่างครูบาอาจารย์หลายท่านท่านก็จะแบบว่าออกทุดดงไปป่าไปอะไรเงี้ยค่ะอย่างนั้นคือคือเหมือนท่านก็ต้องไปมั น, นเป็นขั้นตอนขั้นตอน <c oughs> ขั้นแรกถ้าเรายังไม่มีกําลังเราอยู่กับของทุกข์ยากลาบากไม่ได้เราก็ต้องอยู่แบบของที่มันสะดวกสบายไว้ก่อนอต่อไปเมื่อเรามีพลังแล้วเราก็อยากจะทดสอบจิตใจเราเราค่อยไปหาที่มันแต่ก็ยังไม่หาสัต ป, ปา ย, ยากอยู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านไปอยู่ในป่าในเขาท่านก็ต้องการความสงบวิเวกเป็นหลักแต่แต่ท่านยอมทนกับความทุกข์ยากลําบากเรื่อ ง, งอาหาร อ, อย่างหลวงปู่มั่นเนาะท่านต้องอาหาร กินอาหารจากชาวไปบิณบาตกับชาวป่าชาวเขาเนีเนื้ออาหาร <c oughs> เขาก็ไม่มีอะไรที่ท่านจะกินได้ง่าย <c oughs> ไม่ใครกินเดีวก่อนแล้วอย่าง น, <c oughs> างนี้อย่างนี้ถ้าในฐานะฆราวาสอย่างพวกหนูเนี้ยค่ะมันจําเป็นไหมคะว่าสมมุติถ้าเราปฏิบัติในที่สัปพยะแล้วเราเราเร า, เราเริ่มสมมุติว่าเริ่มเริ่มสามารถปฏิบัติได้เราต้องออกไปหาที่ที่มัน ลำบากปึกนะครับได้ไงก็บางคนก็ไปที่เขาทีโอนเงี่ยอ๋อค่ะแล้วถ้อย่างนั้นยังงี้ว่าเป็นที่สัปเอยอยู่เหรอคะแบบว่ารู้สึกสบายอสบายแต่มันก็มันก็เหงามันก็ไม่มีคนไม่มีอะไรที่เราจะต้องคอยมีเพื่อนคอยก็สมมุติว่าถ้าสำสาหรับหนูข้อนั้นความอยู่คนเดียวไม่ได้ปัญหาไม่ใช่ปัญหาแสดว่าหนูต้องไปหาอย่างอื่นไหมคะหลวงพ่อที่ที่เราที่ต้องเราต้องทำให้เรารู้สึกว่า ได้ก็ไปปรากฏอยู่ในป่าที่ไหนก็ได้จําเป็นไหมคะหลวงพ่อก็ได้แต่เราไงแล้วแต่ความเราแต่ความต้องการของเราะเว่าเราต้องการทําข้อสอบอะไรอถ้าเราต้องการทําข้อสอบแบบอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อันนี้เราก็ไปหาที่มันที่เราไม่ชอบอยู่เพอาะชีวิตตราบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปตกระกรมลําบากที่ไหนบ้างเราก็จะได้อยู่กับทุกที่ได้ค่ะ ที่ที่มาถามหลวงพ่อไม่ใช่แล้วจ้ะค่คือแค่สงสัยว่าถ้าถ้าการที่จะต้องไปให้ถึงถึงจุดมุ่งหมายถึงนิพพานหรืออะไรก็ตามที่ที่เหมือนตามครูบาอาจารย์นะคะเราจําเป็นต้องไปให้ให้สุดขนาดนั้นไหมหรือว่ามันมันมันก็คืออยู่กับแค่ที่สัพยาของเราอย่างที่บ้านก็ได้หรืออะไรก็ได้เราเราก็สามารถที่จะไปได้ถึงถึงจุดมุ่งหมายนีน่ก็อยู่ที่ว่ามันได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ต้องไปหาจุดอื่นอยู่ไง ถ้ารู้ว่าอยู่ที่บ้านมันสบายมันทำให้เราขี้เกียจไม่ไม่สามารถทำความเพียรได้เราก็ต้องไปหาที่ที่มันกระตุ้นให้เราทำความเพียรได้เจ้าค่ะตายเจ้าค่ะขอพระคุณหลวงพ่อมากเลยเจ้าค่ะสำหรับคำตอบค่ะก็จะพยายามค่ะเดี๋ยวตอนนี้ที่นี่ก็ที่บ้านพี่สาวหนูก็ถือว่าเป็นที่สงบเจ้าค่ะเพราะว่าอยู่นอกเมืองแล้วก็เงียบอยู่กันสองคนเดี๋ยวคง อวันไหนที่ไม่ได้พี่สาวไม่ได้ไปหาหมอห อ, อะไรก็อาจจะแบบว่าขอถือศีลแปดแล้วก็อาจจะแค่มีหน้าที่ทํากับข้าวช่วงเช้าให้พี่สาวแล้วก็จะลองถือศีลแปดดูสิคะแล้วก็จะสมาธิเยให้เยอะขึ้นอืการถือศีลแปดก็เป็นการทําให้ชีวิตเราลาบากขึ้นยากขึ้นเนี่ยค่ ะ, ะนี่ก็มีปัญหาเหมือนทุกท่านหลายๆท่านใช่ไหมะไม่ใช่ทุกท่านก็ <laughs> คือเรื่องกินเช่ไหม ะ, ะ, ะเห็นความ ความอร่อยเป็นสิ่งสำคัญนึ่งกินเนื่งความสุขทัางตาหูจหมูกเลกายยังอยากดูอยากฟังอยากอะไรอยู่ใช่เจ้าค่ะจะพยายามพยายามเจ้าค่ะสองดนนี้เจ๋จะลองจับมือถือให้น้อยลงแล้วก็กินกินแบบกินแต่ว่ากินให้มันไม่ไม่ไม่ตามใจปากแต่กินให้มันอิ่มเนี่ยกินแค่ดับความหิวหพอความมันมันพอรู้สึกว่าไม่หิวแล้วก็หยุดกิน จะไปกินจนกระทั่งมันอิ่มเจ้าค่ะได้เจ้าค่ะเดี๋ยวจะลองดแอูแอบว่าช่วงนี้คงไม่ได้ไปกราบหลวงพ่ออีกสักพักเลยแต่เดี๋ยวจะจะเข้ามานั่งสมาธิวันเสาร์อาทิตย์กับที่น่ากุติทางออนไลน์กับหลวงพ่อเจ้าค่ะได้ตามสบายตามอัธยาศัยคุณเ้าค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะเอาสาธุอ่าคุณแม่ลูกตาลเป็นยังไงคราวนี้มา ชียวนเป็นยังไงทําไมต้องมาเชียวนอยู่บ้านปฏิบัติไม่ได้เนะี่ยยังไม่ได้เปิดใหม่เลยเปิดใหม่นะอา้าวค่ะคือตัวห น, นูชอบบรรยากาศที่เป็นป่าเขาอะค่ะอาปปะากก่ามันเป็นสัายะก่ออยู่ที่บ้านนะใช่ค่ะพระที่บ้านที่บ้านเน่ยอยู่มันติดถนนมันจะสงบตอนเช้ามืดแล้วก็ จะนั่งสมาธิตอนตอนดึกๆค่ะแล้วก็ช<ม>่วงสักกลางวันะ่ะรถก็จะซาหน่อยค่ะค่แต่ไปที่ปฏิบัติได้ตลอดค่ะทั้งวันเลยว่าไม่มีเสียงรถยนต์เลยไม่มีเสียงรบกวนเลยเป็นทีวีเวกมันรู้สึกอธยาสายชอบป่าเขาอะค่ะออืมแล้วก็เ อ, อที่ไปปฏิบัติเนี่ยเวันนี้ก็ก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเวทนาค่ะอืมปวดกระดูกทุกข้อเลย อปวดกระดูกทุกข้อหนูก็หนูก็นั่งภาวนาไ ป, อปเอาปวดก็ปวดภาวนาไปฮ่ามันไม่ได้ไล่มันไปไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปให้ได้แล้วพอออกจากสมาธิก็มาพิจารณาว่ามัร่างกายก็เป็นอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ของเราถึงเวลามันก็ต้องมีเจ็บมีปวดเรา ห, ห้ามมันไม่ได้ค่ะอื่ไมวันนี้ร่างกายทรมานก่อนว่าครั้งสองครั้งก่อนค่ะอืไม่เป็นไรขอให้ใจเราไม่ทรมานกับร่างกายก็แล้วกัน ไม่อะค่ะไม่ทรมานค่ะ<ต>เพราะ ต, ต่อไปเวลาเราเป็นโรคมะเร็งเป็นอะไรขึ้นมามันก็ต้องทรมานอย่างงี้ก็เนี่ค่ะก็พูดกับลูกตาลตลอดเหมือนกันค่ะเรื่องเรื่องเหล่าเนี้ค่ะว่า เ, เรื่องการทําบุญขึ้นหนูกับลูกตาลเราจะใช้เงินก้อนเดียวกันเป็นกระเป๋าเดียวกันแล้วเวลาเาอยากจะเอาอะไรแค่เหมือนเขาเป็นลูกศิษย์อะบอกเขาเขาก็จะซื้อมให้แต่เฉพาะของที่จําเป็น เราจะเลือกซื้อแต่เฉพาะของที่จำเป็นที่ต้องใช้ค่ะเพราะว่าแบบนี้เราจะได้บุญด้วยกันไหมคะเวลาทําทําอะไรก็แล้วแต่ือถ้าทําบุญก็ต้องรู้พร้อมกันเรื่อเรื่องว่าว่าเอาเอาเงินก้อนนี้ไปทําบุญเราก็จะได้รู้สึกว่าเออเราเรามีส่วนเสียเงินค่ะเมื่อเราเสียเงินของเราไปเราก็จะมีความสุขใจอันนั้นก็คือบุญแต่ถ้าเขาไปทําโดยที่เราไม่รู้นี่บางทีเราก็เราก็ไม่รู้ เราก็ยังไม่ได้บุญก็จะบอกกันค่ะเพราะวันนี้จะีนนคือจะทําทุกวันนะคะวันนี้จะทำํำอันนี้นะอะไรเนี่ยนนถ้าไหนทําเป็นถ้าไหนทําเป็นประจําอยู่แล้วก็โอเ ค, คอแล้วตัวหนูเองก็จะตัวหนูเองก็เออเวลาจะทําก็จะบอกเขาว่าเออวันนี้แม่อยากทำบุญ อ, อันนี้นะ เ, เขาเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเราก็ทําไปด้วยกันเนี้ยคะ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันเหมือนเหมือนได้ถือสินสิบด้วยกันหนูหนูก็ไม่ต้องจับเงินเออดีก็ดีเหมือนกัน จะ ไ, ได้ไม่ต้องมากังวนกับเรื่องเงินเรื่องทองค่ะไม่ไม่ตอนนี้ตัดตัดเรื่องเหล่านี้ไปได้เยอะเลยค่ะแล้วก็เรื่องสังคมเรื่องอะไรเนี้ยเหมือนหนูเคยอ่านหนังสือที่อาจารย์บอกว่าอะไรที่ไม่จําเป็นก็อย่าไปรับปากใครเข้าไว้เงี้ย<อ>หนูก็พยายามปากก็จะตัดออกหมดค่ะเรื่องเรื่องที่ว่าใครจะมาเอ่ยปากให้ช่วยอะไรทําอะไรหนูก็พอเท่าที่จําเป็นจริงๆแบบ<อ>มั้นถือแบบขาดไม่ได้จริงเสียไม่ได้แต่ตอนนี้ก็เหลือน้อยลงแล้วค่ะเหลือน้อยลงมากค่ะเพราะว่าลูกตาลก็จะ ด้วยค่ะมุ่งมุ่งเอาเรื่องภาวนาเ<ไ>ป็นเวลาเราเจ็บเราตายไม่มีสังคมไม่มีใครก็จะมาเกี่ยวข้องกับเราหร่ะค่ะแล้วก็พอดีวันนี้เข้าไปสัมมานาเก็บแต้มใบประกอบวิชาชีพสตวแพทย์อะค่ะโอเคดี <Okay. S 2> ไม่ได้เข้าค่ะแต่ตัวหนูก็ตั้งใจแล้วค่ะเพราะว่าเข้ามาฟังหนูก็ได้ฟังคําถามของแต่ละคนที่ถามผูาจารก็ได้เอาม า, มาใช้กับตัวเองหรือบางอ่านอ่านหนังสือที่ผอาจารย์ของผู้จารย์นะคะ ก็มาแก้ปัญหาเพราะหนูจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็หรือบางครั้งก็ฟังธรรมะของพระอาจารย์ไปก่อนแล้วก็ลงมือปฏิบัติเขาช่วยได้ก็บอกเขาแล้วว่าเรื่องบุญเรื่องทานเนี่ยตายไปก็ไม่ต้องให้ครทําให้ใครนะว่าเราต้องทําของรับกันเองอืดีมากใช่ดีมากปฏิบัติไปแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะสลับกันไปออืืม ส่วนสินแปะสินแปดนะห น, นูถือได้ได้เกือบทุกวันยกเว้นบางวันที่หนูต้องปวดกระดูกเขามากจริงๆต้องกินยาเนี้ยอรักษากระดูกบางวันก็อาจจะต้องต้องทานอาหารรองท้องช่วยแต่ว่าก็ทานปริมาณนิดหน่อยค่ะอกินพอเมืพอกินเพื่อกินยาเใช่ค่ะเพื่อให้ปวดค่ะแต่ถ้าไม่ปวดมากจริงๆหนูก็จะไม่หนูก็จะไม่กินค่ะดีดีมากโอเคมีอะไรไหม แล้วก็กลับขอบคุณพระอาจารย์ค yeah, ่ะอย่าสาธุคุณเดวิดก่ะยินดีดูเหม oh, ือนมีสองจอนะมีอะไรท่านไม่คงการอ๋อมันเป็นนี่ค่ะอาจารย์มันเป็นแบบเหมือนที่แบบติวตูออตอนตอนคิดว่ามีสองจอเดวิดพูดอยู่ครับว่ามันเป็นสองจอกงมองตะลู ยังและคุณอาจารย์ขอสุขส uh ันต okay. ์วรันเกิดีค่ะอาจารย์วันนี้ไม่ต้องทํางานนะวันนี้นี่ค่ะท่านอาจารย์ที่มาฝรั่งเศสนะ่าฝรั่งเศสเมื่อวานไปเอกรมศุลกากรเรื่องวีซ่าค่ะเรื่องขอวีซ่าอาจารย์ก็เอแล้วตอนนี้แบบคือเอกสารนะคะมันขาดอีก อันหนึ่งซึ่งทางสำนัก ง, งานทนายความที่ของบริษัทอ่ะเขาลืมจัดมาให้มันก็เลยขาดอีกแผ่นหนึ่งแต่เมื่อวานเราก็ออนไลน์ไปให้เรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ทราบค่ะว่าจะจ ะ, จะยังไงเพราะเมื่อวานทางท่านกงศุนที่เวลาสัมภาษณ์กับเดวิดอะค่ะเขาขถามเดวิดเพราะว่าที่อเมริกานี่เขาไม่ให้อยู่เกินเจดปีอะค่ะท่านอาจารย์ก็เลยแบบ ตอนนี้เขาเคม้มงวดมากนะวีซ่าของอเมริกานี่พอดีมาเจอระบบเอ่อท่านทรัมป์เข้ามาด้วยจ้<ช>า <c oughs> ก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยแต่เมื่อวานเดวิดเขาแบบเอ่อขอทางสำนัก ง, งานทนายความของบริษัทเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็เลยเออ่ทำมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เ อ, อเดวิดก็ส่งไปให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าวานเขาบอกเลยค่ะว่าเขาบอกว่าเขาเซ็นให้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มันไม่ครบเขาพูดอย่างงั้น ก็รอดูไปนะคะท่านอาจารย์ว่ามันจ่อจะขอให้ผ่านเร็วๆขอให้ผ่านเร็วๆนะจ้าทุกค่ะท่าอาจารย์ขอบพระคุณท่านอาจารย์จะอยู่จะต้องอยู่กี่วันยังไม่รู้นะจะอยู่อยู่ไปจนกว่าจะได้วีซ่าแล้วครับค่อยๆกลับนะไม่ไมต้องไปที่แคลมป์เฟรนซ์ดูให้ครับจะอยู่ทีมอังกฤษทิ้งสิ้นเดือนนี้ครับจะอยู่ถึงสิ้นเดือนนี้โอเคงั้นก็มีเวลา มากพอที่จะรอาาวีซ่าได้นะค่ะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อไหร่นะที่จะไปทํางานที่อ่าวันที่ยี่สิบประมาณนีอ๋อพอดีพอดีมันมีวันที่ยี่สิบะค่ะประมาณประมาณหนึ่งอาทิตย์อะค่ะเพราะว่าเขาจะต้องไปที่แคลมองไปเอ่าเป็นเมืองแคลมองอะค่ะที่ที่เราอยู่ที่ฝรั่งเศสเก่อาอะค่ะท่าน่าจารไปทํา ง, งานที่นั่นประมาณหนึ่งอาทิตย์อพอดีก็เลยต้องร อ, องร้อนยาวไปเลยแบบคือไม่งั้นก็ ถ้าเสียวีซ่าก็ต้องกลับใช่ไหมคะแต่ตอนนี้วามว่าจะไปแล้วก็กลับมาอีกมันก็เสียค่าเดินทางใช่ไารบริษัทเขาก็เลยบอกว่าทางนี้เราอยู่ทำงานที่นี่ก่อนให้เสร็จก่อนเรียบร้อยก็ดีโอเคหวังว่าได้วีซ่าเร็วนะสาธุ happy to see you รู้จักคำว่าสาธุแล้วค่ะคุณโอเค ดีใจที่ได้เห็นกันเห็นหน้าวันนี้มานานจะได้เห็นกันทันทีเปิดสังเตร็ดล่ะอ๋อสงเตอเคนมสซิโบกูขอบคุณมากค่ะท่านโอสาธุสาธุสาธุนะสาธุ่าคุณพันตการต่อคุณพันธการเคยเข้ามาล่าเนี่ยจําหน้าไม่ได้ นวัตการนครพาอาจารย์ลูกตาเน่ยค่ะลูกตเนอะเป็นชื่ออยู่ใช้อีกเครื่องหนึ่งเข้าค่ะวันนี้อยู่กรุงเทพค่ะมากรุงเทพเลยอ่ามาสัมมนาค่ะประชุมวิชาการประจำปีค่ะเออนี่เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการค่ะอาจารย์มีความรู้ใหม่ๆเพิ่มเึ้นไหมคะ่ะก็มาอัปเดตความรู้ว้างค่ะปีละครั้ง ก็ดีกี่วันสามวันสามวันค่ะอืมเดี๋ยววันศุกก็เสร็จค่ะวันวันนี้แบบก็พอเลิกแล้วก็เนียมีแบบเข้าทันค่ะก็เล็ก็เลยเข้ามากลับพักอาจารย์ค่อืมพูดคุยคุณแม่ไปเมื่อกี้นี่ค่ะอืมมีอะไรไหมไม่มีค่ะพักอาจารย์โอเคถ้างั้นก็ไปก่อนนะไหมอ่ากลับพัอนหลับนอนนะทุกคน อ่าอมุ่จอยต่อมุ่จอยไม่รู้อ่าพูดเลยเนี่ยไม่ได้ยินเสียง <c oughs> ได้ยินได้ยินใช่ไหมอ่ได้ยินนะอ่า <c oughs> เปาเปล่าเหรอย่างเงี้ลูกชายหลับแล้วเลยวันนี้เมื่อกี้เขาเข้ามาแต่เข้าด้วยแล้วก็ออกออกไปไ ห, ลหลีกกับห้องหนีห้องกับพ่อหอเมื่อเช่มาใส่บาตรหรือวัเมื่อวานนี้า่เมื่อวานมันผ่ะโนโนเถียงกับ แฟนเนอยู่ว่าบอกว่าพระอาจารย์อ่ะรู้นะว่ากี่คนที่มาใส่บาทเขาบอกว่าจริงเหรอบอกว่าจิตของพระอาจารย์ไม่เหมือนจิตของเธอนะเธอมันนี่บังงบเมื่ามันบรรพายักอันพาตวันวันสามีย่ออัมพาตหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าใช่ค่ะเดี๋ยวเขาหนูชอบถามพระอาจารย์ว่าเวลาหนูใส่บาันพรพคนจะเยอะมากหรือเขาถามว่าคนมีกี่คนอืมหน้าไปได้เลยหน้าไปได้เลยไหม ถ้าไม่นับก็ไม่รู้ถ้าไม่นับก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าเขาหนูหนูก็บอกเขาแล้วว่าหนูจะไปขึ้นเขาเขาก็ตอนแร้เขาก็จะแบบไม่ให้แต่หนูบอกว่าฉันต้อไปสะสมบา ร, รมีเพื่อให้เธ อ, อเป็นเป็นคนดีแล้วก็เลยพูดไปองนี้เขาก็เลยแบบไม่ไม่ได้นะอะไรเออขึ้นไปเมื่อไหร่ที่หนูบอกวขาจ้าหนูขึ้นไปวันอาสารหามบูชาวันพระใหญ่อแต่หนูไปใส่บาตรตอนเช้าก่อนแล้วหนูก็ถึงกลับมาแล้วก็มาเตรียม หนูได้ฟังพระจามพูดหนูก็เลยคิดว่าหนูคงเตรียมไปแค่นมกับน้ําและน้ำผลไม้เออพอละแล้วก็เอ่อของกินไม่ต้องไปเลยจะดีใช่ไหะใช่จะได้ไม่ต้องมากังวลอยู่กี่วันหนูไปวันที่สิบเข้าวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสวันสิบเอ็ดสองสสาใช่แล้วก็กลับวันที่ตั้งแต่สิบสีเพราะมันเป็นวันหยุดยาวสี่วันก็เป็นวันพระใหญ่ดีแล้วไม่กินแค่นี้ไม่ตายหรอดีรอดใช่ไหมคะเออรอด จะไดไม่ได้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวเรื่องอาหารด้วยเออหนูฟังพระจอมพูก็จริงจะได้ไม่ต้องล้างจานเออไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นสบายแล้วถ้าเราไปเราต้องภาวนาพุทโธทั้งวันหรือแล้วดูลมหายใจก็ได้ทั้งวันได้เลยใช่เดินบ้างนั่งบ้างแต่ต้องมีสติอยู่กับพุทโธอยู่กับการสวดมนต์เนืออยู่กับการฟังธรรมะอะไรนี้ไปอ่านหนังสือได้หนังสือธรรมะหนังสือธรรมะก็อ่านได้ในกุฏิก็มีมีหนังสือธรรมะอยู่ แต่อย่าอ่านหนังสือทางโลกอย่าเปิดอย่าเปิดมือถือไม่ไม่ไม่ค่ะพอไปหนูก็อยากอยากให้ให้ได้เพราะว่าอยู่บ้านมันไม่ค่อยได้อยู่แล้วเพราะว่าลูกกับแปลงของก็วอยไวแล้วเออหนูขอถามว่าสินห้าสินห้าหนูก็ถืออยู่แต่ว่าสินที่คําว่าไม่โกหกพูดจาแต่ว่าบางทีเราด่าอย่างนี้ไม่ไม่สงควรใช่ไหมคะถ้ายังถ้าด่าแล้วเป็นความจริงอัยังก็ยังไม่ผิดนะั้น อย่าก็อย่าพูดโกหกส่วนคำด่านี้มันมันมันไม่ได้อยู่ในสินห้าและสินแปดมันอยู่ในสินของพระคือพูดคําหยาบพูดเพ้อเจ้าพูดอ่าพูดยุยงให้คนทศทะเลาะกันอย่างเงี้ยเป็นคําพูดที่เราไม่ควรพูดแต่ส่วนใหญ่หนุบเนีมันไม่ได้อยู่ในสิส น, นส cher, ห้น า, า, าสินแปดสินห้าเขาแค่<ง>สินห้าสินแปดเข้าแค่มุสาไม่พูดปดให้พูดความจริง ถ้าเราถ้าเราต้องโกหกแต่เราเงียบไปเลยไอนี้ได้ไหมคะได้ถ้าไม่พูดก็ไม่เป็นไรถ้าไม่พูดก็ไม่ได้โกหกใช่ค่ะเขาเขาเขาถามความจริงหนูอย่างเช่นถามว่าหนูทำงานได้เงินผ่าไหร่หนูเงียบไม่บอกเงียบใช่พูดเรื่องพูดเรื่องอื่นไปก็ได้ใช่เขาจะบอกว่าเงียบแปลว่าไม่ไม่ไม่โกหกแต่ไม่พูดไม่บอกก็ได้ตอบไม่ได้ไม่อยากจะตอบห๋าแล้วอีกอย่างที่พ่อจ้าบอกว่าจิตรวมเคยมีครั้งนึงที่หนูอ่ะ แบบว่าหนูหนูขับเอ้ยเล่นเล่นเรือเล ส, ส ก, กี้เหมือนไอ้เหมือนแม่น้ําแบบเจ้าพญาเงี้ยแต่ว่าแล้วทีเนี้ยเด็กน้องอะมันแกล้งหนูแล้วทีเนี้ยมันจังหวะที่มันแกล้งอะแล้วเหมือนตอนแรกหนูกลัวแต่หลังจากที่พอกลัวพอเขามืกลัวหายไปอะจิตมันลงปุ๊บแล้วมันก็เป็นความแบบนิ่งไปเลยเหมือนนิ่งไปเลยอย่างเงี้ยคือรวม<อ>ใช่ไหมคะจิตรวมหนูเคยหนูเคยเป็นครั้งหนึูคิดจะถามพระอาจารย์แต่หนูก็เพิ่ฟังพระอาจารย์ว่าจิตบนหนูคิดว่าถ้าอย่างงั้นคือหนูรวมได้ได้ครั้งหนึ่งแล้วใช่คะ อ่าอันอันนี้มันอาศัยอาศัยบุงเก่าบุญเก่าแล้วก็เหตุรอบรอบรอบด้านอาจจะทําให้มันจิตรวมลงไปใช่ค่คือแบบแต่จะไปจะแต่จะจะให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆมันไม่ไมไมัน ไ, ไ, ไม่เกิดหรอกไม่ค่ะได้ให้ขงังเรียนกูเลยมันคิดว่าแสดงว่าครั้งนั้นของหนูวเพราะว่าหนูหนูงงว่าที่จริงหนูต้องกลัวเพราะว่ามันเป็นเรือแล้วมันเป็นในในน้ำหนูหนูปกติหนูว่าน้ําไม่เก่งหนูก็เลยกลัวว่าเฮ้ยถ้าลบถ้าจมไปจะเป็นยังไงแต่ตอนแรกที่กลัวแล้วหลังจากนั้นอ่ะ มันนิ่งมันมันเหมือนมันเข้าไปในพวงอะไรสักอย่างแล้วมันก็นิ่งไปเลยแล้วก็ความกลัวก็ไม่ไม่กลัวไม่ไม่รู้สึกว่าต้องกลัวมันเฉยเลยค่ะคิดเฉยว่งเฉยใช่ใช่ค่ะหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราปฏิบัติยังไงให้ได้ขนาดนี้ซึ่งแต่ละวของเรามันมันมีแต่คนเข้ามาหาเราตลอดมันก็เลยยากต้องอยู่คนเดียวต้องอยู่ที่เงียบแล้วหยุดคิดให้ได้ถ้าหยุดคิดมันก็จะรวมได้อืมอ่ะหนูหนูต้อง เราต้องขยันที่มากวันนี้น อ, อีกเลยอาจจะใส่ความกลัวตอนคืนเราออกมาอยู่ที่เปียกๆดูข้างนอกกุเต็ดูวันที่ขึ้นเขาใช่ไหมคะอ่าตอนที่ขึ้นเขามเมื่เมื่อดูเสือ้อเดี๋วอยู่ในห้องเราเ อ, อกมาย่อห้องดูนั่งมาเบียงแล้วเ อ, อกมาเดินข้างล่างนอกกุเต็ ด, ดูว่าจะกลัวไหมแล้วเราจะเข้าได้ไหมออมันอาจจะพอกลัวแล้วมันอาจจะทําให้จิตเรารวมก็ได้ แล้วทําทําไม่รวมก็เปิดตลอดเปิดเปิงไม่เป็นเมื่อเราถาหนูกลัวเป็นหนึ่ง <c oughs> ห, หนูกลั <c oughs> กวจะตะลอดเปิดเปิงไปแต่ว่าหนูคิดแล้วว่าหนูต้องดึงจิตอยู่กับพุโทโธให้ได้ตลอด เ, เพราะว่าต้องใช้สติ ใ, ใ, ชใช้สติใช้พุโทโธถึงอยู่ได้ทำไมถ้าไม่มีสติแล้วตลอดเปิดเปิงกันนแต่เนี่ยเพื่อมาขอคำปรึกษาหนูคิดถึงที่ว่าอาจารย์สอนหนูเลยว่าก็ก็เขาเป็นส้มเธอจะให้เขาเป็นกล้วยไม่ได้เหมือนเขาว่าบทเรื่องแฟนเขานูฟังว่า แฟนชอบกับดึกไม่รู้หนูบอกว่าก็เข้าไปของเขาอย่างนั้นอ่ะเธอก็รู้อยู่แล้วเธอจะแบบหนูก็เลยคิดถึงว่าที่พาจารย์สอนหนูมาหนูไปสอนเขต่ออีกทีอ่ดีก็นูสอนตัวหนูก่อนใชหใช่ค่ะหนูทําใจได้นะใช่ไหมใช่ค่ะอ่าทำใจขึ้นยังก็เอาจาะหนูหนูหนูไม่ได้แบบเขาเขาไปใส่บาทนะเขาบอกว่าเขาอยากไปใส่บาทกับพาจารย์คือเขาหายไปนานแล้วเขาก็แบบหนูก็แบบอืมเขาก็บอกว่าเอออยากอยากไปมากหนูก็ไปก็เข้าไป บ่อยเขาเขาอยกจะมาก็มาเขาไม่อยากจะมาก็ไม่ต้องมาใช่ค่ะก็ไม่บอกครับก็ก็เข้าใจเหตุผลว่าเขาเป็นเขาเป็นเขาเปอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะพยายามเรียนรู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้ใครเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเราก็คิดว่าเราไม่จำเป็นต้องต้องอย่าไปเปลี่ยนเขาอย่าไปเปลี่ยนเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เปลี่ยนที่เราง่ายที่สุดค่ะใช่ชนะใจดีที่สุดง่ายที่สุดได้คำสอนที่ที่เข้ามาตลอดก็ยังแบบแล้วที่ มันได้เข้ามาเรื่อยๆเองตามลําดับไปเลยอะค่ะตามตามขั้นตามต<ร>่อปฏิบัติไปเรื่อยๆฟังเทศไปเรื่อยๆความรู้ต่างๆมันก็จะปรากฏขึ้นมาถึงที่เราเคยได้ยินได้ฟังวันถึงวันหนึ่งมันก็เอามาใช้ได้อะอันนี้รอรุ้นเด็กๆเด็กๆบอกว่าแม่ไอคนโตบอกว่าไม่อยากมีแฟนบอกเออเธอไม่มีดีแล้วเพราะว่าถ้าเธอมีต่อไปฉันต้องลำบากเพราะว่าฉันจะไม่อยู่เลี้ยงลูกให้เธอหรอกนะหนก็บอกว่าห น, หนูว่าไม่เลือกทางนี้แน่ๆถ้าหนูแบบ ถ้าหนูอายุเยอะขึ้นอ่ะหนูมองว่ามันวุ่นวายหรืออยากอยากสงบอยากไม่มีแต่ความถ้ามีความคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าคงยังไม่มีแล้ว่ะหมายถึงลูกใช่ไหมคะอ่าลูใช่อืมเขาเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากมีบอกไม่ไมอยากมีอดีแล้วเธอรู้ไหมว่าการมีมันคือการหาทุกข์มาใส่ตัวแบบอืมพอเราทำแ้ก่นสมัยนี้ผู้หญิงเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องมีผัวมาคอยเลี้ยงแล้ใช่ค่ะหนูบอกว่ามีเดี๋ยวเขาก็ไม่แย่งใช้เงินหรอกเขาก็บอเออจริงไม่ไม่ไม่กล้าจะมี นี่ละนะค่ะโอเคนะขอคุณค่ะคุณปามเมื่อไรสีรัชชาตับนิมมัสการค่ะไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์โอเคยังไปที่คุณปูแป้ไม่สบายเลยเป็นใส่ชุดพยาบาลชุดชุนไข้เลยอ๋อตัดชุดเอานานแล้วค่ะทำงานค่ะ อาจารย์คะพอาจารย์ไี่ินหนุไมไเจ้าคะดยินแต่บางทีก็เสียงหูคาคูครหูคาโอ้ค่ะพระาจารย์โดนไปหูฟังแล้วถอ้เอเ อ, เ อ, อ อ, อาาาจายาดา์ดีกว่าดีกว่าพระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนดีกว่าดีกว่าไม่ได้ยินข อ, อ น, น้ะคะพะอาจารย์พอาจารย์คะเออ อันมันต้องใส่หูฟังค่ะพอ า, พาจารย์ูฟังหนูอยากขยับสิขยับพอขยับตัวเสียงมันจะคงความคงคอค่ะอ า, าจารย์นี่มันเหมือนเสียงฟ้าร้องเลคะโอเคพูดไปมีอะไรไหมพูดไปเลยอ๋อไม่ไม่มีก็ลุยปฏิบัติค่ะอ า, าจารย์เองแต่ว่าหนูได้กินจากพระอาจารย์ก็าาาต่อค่ะาาโอษฐเล ปูหนูใช้ทํามาอดโสดจนหนูไม่มีต้องไม่ไม่ได้ทานยาเลยค่ะอาจารย์แล้วก็หมอกขาบอกว่าผ่ากระโหลกเล่าผ้าไหมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็แต mm ่ hmm. ว่าพ่อกับแม่รู้สึกว่าแค่สีรอบก็พอแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ค่ะ mm hmm. แต่ของหนงแบบเหมือนแบบผ่ารอบที่สิบแล้วมันไม่ค่อยปวดกายอะค่ะอาจารย์ mm hmm. ก็เลยอยากรู้ว่าถ้าผ่าสมองอีกรอบจะตรวจปวดไหมยอย่างเงี้ยค่ะ อย่าไปลองถ้าไม่จําเป <S <S. ็น <grounds> สาธุอาจารย์แต่ถ้ามันจําเป็น ก, <bet S 1> ก็ตองผ่าก็ผ่าใช่เหตุใช้ผลอย่าไปใช้ใช่ค่ะเราค่ะอาจารย์คือจะดูเนื้องอกว่ามันจะโตขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์เพราะว่าต้องต้องระหวังร่างกายไม่ใช่จะให้เขาทดลองเพราะว่าหนูเหมือนโดนประมาณว่ามันต้องนั่งรถเมลแล้วมันมีอาการต่างๆที่จะทําให้รถ มีเอ่อให้ลงจับรถมีกัะทันหันที่ผ่านมาเงี้ยค่ะอาจารย์ mm hmm. แต่พอได้แบบปฏิบัติแล้วก็เลยรู้แบบว่าเข้าไปอยู่ในสมาธิอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยใช้รถนี้ได้อย่ะงเงถ้าเข้าสมาธิได้ก็ปลอดภัยค่ะเป็ น, เ ป, นเป็นแหล่งเป็นแหล่งไปเอนน้เลยค่ะอาจารย์เหมือนหนีชุบเลยค่ะอาจารย์ที่เพึ่งทางใจเลยระงังทางแต่เป็นที่เพิ่งแบบชั่วคราว <ข>ได้ปัญญายจะดีกว่าปัญญาก็ปล่อยวางไม่ไม่ทุกข์กับมันเจ้าขับพระอาจารย์พอหนูฟังทำกับพระอาจารย์รอบที่สิบผารอบที่สิบก็เลยแบบแบบเปิดตาแล้วมันไม่ค่อยปวดร่างกายเลย อ, อุ่นได้อืมดีโอเคดูแลรักษาร่างกายให้ดีนะถ้าดูคุณเน่งเชิญคุณเน่งต่อ รนราชการค่ะพระอาจารย์เแล้วลองฟังถามค่ะไม่มีคําถามช่วงนี้ก็ปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์อดี ส, สขขาธุสาธุขอบพระอาจารย์ขอบพระอาจารย์ท่านแ ข, ข, ข็งแรไหมเจ้ค่ะอ่าอา่อาคุณมริกาต่อมริกาเราที่ว่าการในราชการเจ้าป้าอาจารย์ก็ก็ปฏิบัติอยู่นะคะพระอาจารย์แต่ว่าวันนี้นั้นมีคําถามหนึ่งคำถามแล้วพระอาจารย์เพรว่าการที่ปฏิบัติ ขึ้นเขาชีโอนทุกครั้งมันก็ได้พัฒนาขึ้นมาขยับขึ้นมาและเห็นว่าเป็นไงแต่ว่ามันไม่ยังไม่ได้ก้าวหน้าอย่างเต็มที่ลูกอจะถามผู้อาจารย์ว่าสาเหตุสําคัญนั้นมาจากเราไม่รู้หรือว่าเราเป็นผู้ที่มีกิเลสมากพระบอาจารย์คือการปฏิบัติมันไม่ต่อเนื่องเไี่ยมันยังเป็นแบบน้อมนุ่คุกคานอยู่ขึ้นเขาชีโอนก็รกขึ้นมาสู้กับบันที เรกลับบ้านก็ล้มลงไปให้มันต่อยเราอีกมันก็เลยยังล้มลุกคุกคานอยู่ถ้าอยากจะได้ผลก้าวหน้าก็ต้องอยู่ไปถาวรไปเลยอยู่ยาวไปเลยเข้าใจเพราะเวลาขึ้นเขานี่มันเข้มข้นกว่าอยู่ที่บ้านใช่ไหมอ่านี่ที่การปฏิบัติถ้าปฏิบัติมากาผลก็มา ก, ก, มากปฏิบัติน้อยผลก็น้อยไม่ได้อยู่ที่อะไรหรอก เหมือนกับว่าจิตสงบเหมือ น, นที่น้องที่พูดเมื่อตะกี้นี่นก็จิตสงบเพราะว่าเคยผ่านการเดินจงกรมแล้วก็มันควบรวมก็คือมันก็มีอาการอย่างนั้นอยู่ก็คือเรได้พบแล้วว่าอ๋อการการเดินก็สามารถทําให้จิตจ ส, งสงบได้<ช>อยู่ในท่าไหนก็ได้ถ้ามันจะสงบใช่เจ้าค่ะแต่ส่ว น, น, น, นใหญ่มันก็อยู่ในท่านัา่งจะจะสงบง่ายกว่ า, าแล้วนั้นพอเคขึ้นเขาที่ผ่านมาในเช้านเี้ว่าก็ มันจะทําให้ช่องทั้งการนั่งหรือว่าเดินโงกลมหรือว่าการยืนอยู่ในสเตตเดียวกันหมดเลยนะเจ้าก็ว่าฌานก็ุณทําให้เรามีความเพิ่มแล้วก็ปิติในตรงนั้นแต่ว่านั้นเนี่ยเพราะว่านึกจะบอกว่ามันทำไมไม่ไม่ก้าหน้าก็เออทรับแล้วนะครับบบบางบางทีก็อย่างว่าเออที่เราไม่กล้าหน้านี้เพราะเราไม่รู้ส่วนหนึ่งหรือว่าเรามีกิริยแล้วไม่ทําต่อเนื่องต้องทําอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอนกันนีเกี่ยวข้องกับกิเลสหรือก็กิเลสเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติกิเลสมันก็แรงถ้าเราปฏิบัติกิเลสมันก็มันก็อ่อนนมถ้าเราไม่ปฏิบัติก็เหมือนเราไม่ต่อยมันมันก็ต่อยเราคนเดียวแต่ถ้าเราปฏิบัติเราก็ต่อยมันไปเดียวไพยายามปฏิบัติให้มันต่อเนื่องนะถึงแม้จะไม่ได้อยู่ที่ที่ทั่นที่นี่ก็ขอให้การปฏิบัติมันต่อเนื่องสม่ําเสมอ ค่พะพี่สั่งโอเคน <Okay S 2> พะพยายามแวพายก็ต่อสู้เนี่ยสุปฏิปันโนไะสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องยิ่งตอนนี้นะั้นคุณพ่อมาอยู่ด้วยต้องใช้คาว่าเมตตาบางทกีก็ก็อดยิ้มตัวเองไม่ได้ที่แบบว่าคนอายุแต่ว่าพ่ออายุเก้าสิบปีแล้วความหลงลืมมันก็มีมากแล้วพีอ่อาจารย์บางทีก็ก็<ม><อ>เป็นธรรมดาม อดทนามาจ า, าอพอเราอดทนผ่านแล้วก็อดมานั่งยิ้มยิ้มแบบเห็นไหมเห็นไหมถ้าสมมุติว่าเราทนไม่ได้เราก็โกรธใครละ่ะที่ปวดหัวเราสิเราปวดหัวก็โกรดก็คือโง่โมโหก็คือบ้าถูกแล้วใช้ได้โอเคถธาคุณวร า, าพรเชิญ อ, <ม>อยู่ที่ไหนจ๊ะ อ่าพูดได้เลยกล่านามส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารยออ์ตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพเจ้าค่ะเข้ามาครั้งแรกเลยเ อ, อ๋อครั้ที่แล้วเคยเข้ามาทีหนึ่งแล้วค่ะอ๋อจะไม่ได้เข า, ขข า, ขาก่อนค่ะเข้าก่อนเ อ, อพระอาจารย์บอกว่าปฏิบัติยังไม่เป็นขั้นเป็นตอนให้ใหเออ้เหมือนหนูดูจิตมานานแล้วก็ แต่ก็รู้สึกว่าลมต่างๆก็เบาลงที่คราวที่แล้วกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะแล้วก็พระอาจารย์บอกว่าเอา่อให้ให้ให้กลับไปทําสมาธิแล้วก็ฝึกสติให้ตั้งมั่นกว่านี้แล้วค่อยกลับไปดูจิตเจ้าค่ะหนูก็กลับไปกลับไปดูแล้วก็รู้สึกว่าเอา่ออย่างทําสมาธิเวลาทําสมาธิก็จะอยู่กับลมแต่ถ้าเอา่อ เวลาอยู่ระหว่างวานันฝึกสติเนี่ยก็รู้สึกว่าการที่เราอยู่กับลมมันน่าจะง่ายกว่าการที่เราคือเหมือนกับเวลาอยู่เวลาระหว่างวันเนี่ยอยู่กับลมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเวลาอยู่กับลมมันก็จะรู้ตัวทั่วพร้อมไปด้วยแต่ถ้าเรารู้ตัวทั่วพร้อมอย่างเดียวเราเราไม่ได้อยู่กับลมบางทีมันหลุดอะไรอย่างเงี้ย่ะก็คนจะอยู่กับการกระทําจะดีกว่า อ๋อการกระทำรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราเราอลู่กินอยู่กินอยู่เดินอยู่ทําอะไรอยู่ให้รู้ตรงนั้นอ๋อค่ะมันดูลมลมมันดูยากอ๋อค่ะอันนี้คือในระหว่างในระหว่างระหว่างวันในระหว่างวันแต่ถ้าเรานั่งนั่งเราก็ดูลมได้เราก็ดูลมได้อ๋อเจ้าค่ะค่ะโยมยังแบบยังยังยังติด ติดเรื่องดูจิตอยู่เพราะว่ามันเหมือน <ừ, S 1> มันทํามานานแต่ว่าจะจะดูจิตต้องหยุดมันให้ได้ค่ะถ้าดูจิตแล้วหยุดมันไม่ได้ก็ไ ม, ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรไเกิดไประโยชน์อะไรเป้าหมายของการดูดูจิตก็เพื่อควบคุมจิตบังคับจิตให้ไดใ้ให้มันให้มันสงบไม่ให้มันวุ่นวายเจ้าค่ะถ้าดูแล้วมันยังวุ่นวายอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแสดงว่าสติเรายังมีกําลังน้อยต้องมาฝึกสติก่อนค่ะ เอาค่ขาะขอบพคุณเจ้าค่ะอ่าสาธุอ่าคุณน้องเอิงต่อน้องเงงอิองเงอ ก, ก, การนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้เอิงก็มาฟังธรรมเฉยๆค่ะพระอาจารย์อืมไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรค่ะก็ถ้าถ้าจะมีเล็กน้อยก็ก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะแล้วก็วางข้อวัดให้ตัวเองในตอนที่ไม่ได้ไปวัดค่ะ แต่ว่าข้อแตกต่างก็คือแบบบางวันอย่างเงี้ยมันต้องทํางานดึกคือเอิงตั้งว่าเอิงต้องตื่นตีสี่ครึ่งทุกวันเหมือนอยู่วัดครับอาจารย์แต่ถ้าวันไหนที่แบบงานเยอะหรือต้องเคลียร์อะไรหลายอย่างแล้วมันดึกอย่างเงี้ยบางวันก็แอบแบบไม่ได้ตีสี่ครึง่งก<ต>็ไม่เป็นไรปรับเวลาเพราะเราต้องมีเวลานอนให้มันพอเพียงปกติถ้ีเรานอนสี่ทุ่มเราก็ตื่นตีสี่ได้ใช่ไหมถ้าเราห้าทุ่มแล้วก็อาจจะต้องเรื่อนเป็นตีห้าหรืออะไรไป ค่ะก็เลยสร้างข้อวัดให้เหมือนอยู่วัดค่ะพระอาจารย์แล้วก็แล้วก็ตอนนี้ก็พยายามแบบอ่าเขาเรียกว่าตัดบริโภคเริ่มไล่ว่าแบบโอเคงานเริ่มไม่ได้ทําเป็นประจำแล้วแล้วยังเหลืออะไรคร้างอยู่อะไรเงี้ยค่ะอืมเดีตัดไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ทั้งโลกพยายามค่อยลดมันให้มันน้อยลงไปน้อยลงไปเพิ่มการปฏิบัติทางธรรให้มันเพิ่มมากขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยๆ ค่ะผาอาจานดีโ okay. อเคต้องมีความเข้มงวดกดขันกับตัวเราเองเพราะไม่มีใครคุมเราเราต้องคุมตัวเราเองอพ่พผ้าอาจารอขอบคุณค่ ะ, ะคุณอุษากับคุณปิตยามีรูปคนเดียวเล้วคุณอุษา รัสการ์ค่ะคนเดียวค่ะผู้อาววแวนุโะเมื่อก่อนใช่ค่ะตอนนี้เขาก็เป็นอิสระแล้วค่ะอ า, าจารย์ไม่ไม่ไม่ตัดทางปล่อยว่านต้องอะไรเขาจะตัดยมหรือเปล่าเนี่สิคะไม่ค่ะอาจารย์ก็ตอนนี้คือเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ไม่ตัดความหวงใยไงตัดความห่วงใ่แต่เรื่อง<ช>แม่ลูกตัดไม่ได้หรอกใช่ค่ะตอนนี้คือแบบแล้วแต่เลยเขาโตแล้วก็แล้วแต่เขาจะตัดสินใจอะไรเลยค่ะตอนนี้ ยมรู้สึกว่ามันอุเบกขาแล้วก็เมตตามันมัาช่วยได้เยอะเลยค่ะอาจารย์อัน mm hmm. นี้จะไม่จะไม่มีอะไรผสมมีอะไรขึ้นมา ก, ก็จะใช้วิธีเงียบไปอย่างเดียวค่ะ mm hmm. จะไม่มีอารมณ์ ม, มันมันเป็นได้เยอะนะคะอาจารย์จากการที่ว่าในสถานการณ์ที่ว่าเรามาเจอความป่วยของแต่ละคนในครอบครัวแล้วก็ mm hmm. เราจะรู้สึกว่าอ๋อมันต้องอุเบกขาจริงๆค่ะอาจารย์แล้วก็ โยมมีคําถามจะถามอาจารย์อยู่แต่ว่าก็มีคมํําคาตอบมาตอนต้นๆได้มาแล้วอะค่ะคือเรื่องของการดูกายใช่ไหมคะอาจารย์อมยมจะใช้วิธีการอยู่สองวิธีค่ะคือดูอาการสามสิบสองคือแยกออกมาเป็นชิ้นๆชิ้นๆชิ้นๆแยกตามที่อาจารย์เคยบอกว่าเราเอาผมมากองดูผมขนเล็บฝ้นังแยกๆมาค่ะแล้วมันก็สงบอีกวิธีหนึ่งโยมก็ใช้วิธีการเพ่งให้ตัวเองเนี่ย บวมพองปรีออกมาแล้วก็แยกเป็นน้ำเหลืองน้ำหนอค่ะอาจันแล้วก็คืนสู่ธาตุสีตอนนั้นโยมถำเพราะโยมว่าทำไมโยมอยากจะรู้ว่าทุกข์ทำไมไม่ยอมหายโยมลองทำแบบนั้นจนกระทั่งรู้สึกว่าพอร่างกายเหลือแต่กระดูกใช่ไหมคะกระดูกคืนคืนสู่ดินแต่ความทุกข์ยังในใจยังคงอยู่ตอนนั้นโยมก็ว่าโยมก็ยังไม่ได้ข้อคิดใช่ไหมคะเพื่อมาได้เมื่อประมาณก่อนขึ้นเขาเขาว่ากายกับใจมันคนละเรื่องกัน กายเมื่อต่อให้คืนไปสู่ธาตุสีแต่ทุกมันต้องใช้อุปเใจใช่ใจใช่ใจใช่ใช่พอเพิ่งได้คําตอบค่ะจานันใจยังยิีดไปเตกะกระดูกอยู่ยงเห็นว่ามันเป็นตัวเราของเราอยู่คือตอนนั้นโยมต้องการเอาความทุกข์ในใจปัญหาของใจโยมอะค่ะให้มันหมดไปเลยลองแยกไปแต่ว่าความทุกข์มันยังอยู่ค่ะจารย์เลยก็อ๋อตอนนี้เข้าใจแล้วว่ามันมันต้องอยู่ที่ใจค่ะจานันต้องแก้ที่ใจต้องหาสาเหตุของความทุกข์ เวลาทุกขกับใครทุกขกับเรื่องอะไรใช่ค่ะใช่ตอนนั้นก็คือเอ๊ะเราทําถูกหรือเปล่าแล้วก็เวลาเดินจงกรมขึ้นไปเดินจงกรมใช่ไหมคะอาจารย์พอเดินเนี่ยเราก็จะเห็นโครงกระดูกของเราเดินแต่ก็ไม่ได้กลัวหรืออะไรนะคะมันมันก็จะเฉยเฉยเอ๊ะเร า, าไป<ำ>กลัวยไงถ้ากลัวก็บ้าอยู่กับธรรมะตั้งแต่เกิดใช่อาจารย์บอกว่าผีอยู่กับเราว่าแต่ก็ ก็ไม่ไม่ได้กังวลนะคะเดินแล้วก็บางทีก็เห็นเป็นตัวเองเป็นโครงกระดูกนั่งสวดนบางทีก็เห็นเป็นโครงกระดูกก็เฉเฉยค่ะอาจารย์ดีเดี๋ยวบ่อ ย, อยให้เห็นได้ตลอดทั้งวันได้ยิ่งดีคือบางทีเห็นแต่ว่าบางทีก็ถ้าจะถ้าจะทําก็ได้อยู่ค่ะอาจารย์แต่ว่าเอ๊ะเราทําถูกไหมแล้วก็นอกจาก ข, ของเราเราต้องต้องเห็นของคนอื่นด้วยคนอื่นก็เหมือนกับเราเรามีโครงกระดูกเขาก็มีโครงกระดูกเหมือนเรา ต่อไปก็เห็นทุกคนมันคงมาดูไปหมดคือถ้าดูมันก็ได้แต่บางทีก็เกรงใจเขาไงคะอาจารย์ ไ, ไม่เกรงทําไมเขาไปรู้เรื่องเราหรือเปล่าไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยค่เราดูเพื่อเกิดปัญญาคได้เห็นว่ามันทุกทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดร่างกายของทุกคนมีอาการ32เหมือนกันหมดไม่มีข้อยกเว้นว่าจะเป็นหญิงเป็นชายาเป็นรวยหรือจนเป็นใหญ่หรือไม่เป็นใหญ่เหมือนกันหมด น, นี้ก็จะยังว่าทําถูกใช่ไหมคะถูก <ทำ S 2> แต่ตยังทําให้ครบทำเพียงครึ่งเดียวต้องทำร่า ง, งางกายของเราต้องมองร่างกายของลูกสาวเราเวลาเห็นร่างกายของลูกสาวก็ต้องเห็นโคนรง ก, คกระดูกของเขาอ่อมีเปล่าถ้าเป็นโครงกระดูกเปล่ามีค่ะมีแล้นดูดูโครงกระดูกเขาแไปผิดตรงไหนเลย แต่ว่าโยมต้องดูของทุกคนด้วยทุกคนนั่งกายทั้งกายเขาทั้งกายเราเจ้ากายนอกกับกายในกายในก็กายของเรากายนอกก็กายของคนอื่น <โย S 2> มันจะได้มันจะได้เ<ย>ห็นว่าทุกคนเท่าเทียมกันหมดเนีไงไม่มีความแตกต่างกันค่ะแล้วก็อีตอนที่เราเราโยมไปทำอีกอันหนึ่งที่ว่าร่างกายบวมเฉย อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ได้ใช่ไหมคะ่ะได้ได้ถ้าเป็นนั่งกายได้ทั้งของเขาทั้งของเราเหมือนกันหมดทุกคนค่ะค่ะยมก็ว่าเออเราเราทำถูกไหมเนาะเราคือทําแบบเรารู้สึกมันฟุ้งซ่านมากลองมาทําดูอย่างเงี้ยค่ะแล้ว <c oughs> น, นิ่งคะ่ะมันก็นิ่งคือมันทําเป็นทําเป็นอุบายของสมาธิก็ได้เป็นอุบายของปัญญาก็ได้แต่ไปให้ <c oughs> เกิดร่างกายเรา ขาบวมขึ้นมาเราไปได้ไม่ต้องตกใจอ๋อมันเป็นธรรมชาติของร่างกายมันต้องบวมอ้ขาเราเนี่มันบวมขึ้นมาแล้วก็เอามันบวมก็บวมเดี๋ยวต่อไปมันกระโบมทั้งร่างกายโอไม่มีลมหายใจลองปล่อยทิ้งไว้สิมันขึ้นอื่นเลยบวมยังก็เนี่ยค่ะคือคําถามที่อยากจะถามว่าทําถูกไหมแล้วพอทําแบบ มันมันหงุดหงิดเอาลองดูมันฟุ้งซ่านดีนักเอาแบบนี้แหละค่ะเอาลองทําดูก็ดูมันหายฟุ้งหรือเปล่าหายค่ะใจมันหายไปเลยหายก็หายก็ถูกไปเลยถ้าดูแล้วยิ่งฟุ้งแสดงว่าไม่ไม่ถูกเผิดนะบาคนไม่ถูกจริตพอไปดูยิ่งทําให้เกิดอารมณ์เสียขึ้นมาใหญ่ก็ดูไม่ได้เกิดความกล uh ัว huh. ขึ้นมาเกิดความหดหู่ใจขึ้นมาก็ดูไม่ได้ใจยังไม่พร้อม สติยังมีกําลังไม่พอปัญญายังมีกําลังน้อยยังยังไมด่ดูไม่ได้พยายามพึ่งไปดูแต่ถ้าดูได้ทําให้ใจสงบได้ก็ดูไปเลยดูไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยรักษาความสงบด้วยการดูอสุภาษนี่ไปใช่ไหมันกลัวมาตลอดเลยค่ะอาจารย์ยมนี้เรื่องนี้มันตลอดจนกระทั่งมันเอามาแล้วมันสงบก็เลยเออใจดีค่ะอของวิเศษ เรากลับไปเกลียดมันวันนี้วันนี้คืนนี้พอวัาได้ใช้มันนะที่นี่ถูกใจแล้วเต่อไปมองใครก็มองแต่กข้อก็ดูของเขาคือคือก็เคยลองดูนะคะอาจารย์เดินไปเดินรอบสนามแล้วก็มองทุกคนเป็นกระดูกบอลแต่รู้สึกเออเราเป็นละเมิดสิทธิเข้าหรือเปล่าก็เลยดูตัวเองดีกว่าค่ะอาจารย์ก็อย่างนั้นใช่เหรอแล้วเวลาที่เราไปมองเขาไม่ไม่เป็นละเมิดสิทธิเข้าหรือ โอเคค่ะ okay, ขอบพระคุณค่ะจารย์ตอนนี้ก็มองหนังก็ได้มองผมก็ได้มองเล็กก็ได้แต่มองกระดูกเขาไม่ได้เนี่ยเหตุใช่ผลดูเลยบางที่ยอมยมเล่นกับสุนัขที่บ้านยมก็มองเป็นกระดูกเขาเออแต่ว่าต่อค่ะก็มั น, มนเราไม่ได้เป็นการเล่นกับจิตใช่ไหมคะจารย์แบบนี้ได้เป็นการสอนใจใสอนความจริงปัญญาอาการ32ของทั้งคนและสัตว์เหมือนกันหมด แสดงว่าทําแบบนี้ได้ไปถ้าเม<ด>ื่อไหร<ด>่ค<ด>ุณคเราใช้วิธีนี้ได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ก็ทดลองดูสิได้อยู่นะคะอืมได้กันดีได้ก็ใช้ไปถ้าไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีใหม่ค่ะค่ะสทธุค่ะพระอ า, าจารย์ขอบคุณค่ะอิสยามีอะไรไหมมาสักการ์ค่ะพระอาจารย์คือมีสองสามคำถามค่ะพระอาจารย<อ>์อ่าต้องเร็วเลยนะคุณพ่อคุณ พ, พ่อหนูนะคะเขา เคยไปคือจริงๆอยากจะไปกราบพระอาจารย์ค่ะแต่ว่าก็ยังกลวัวคุณพ่อยังกลัวยอยู่ค่ะเพราะว่าตอนประมาณเจ็ดปีที่แล้วหนูเคยไปอยู่ชนบุรีค่ะแล้วก็ไปหาพระอาจารย์คุณพ่อเขาล้มต่อหน้าพระอาจารย์ค่ะแล้วกลัวว่าพระอาจารย์จะจําได้อะไรแก่ค่ะเขาอายค่ะจังแบบนี้นี่คือหนูควรจะแบบปล่อยให้คุณพ่อทําใจได้เองหรือว่าต้องให้เอปล่อยเข้าไปตามอธัธยาศัยดีกว่าเรื่องนี้เรื่องส่วนตัวเขาไม่ใช่เรื่องของเรา ค่ะอ า, าจารย์ว่าอยากให้พ่อแบบว่าได้ได้เป็นเด็กเหมัอนจอให้บ่อยอยากให้เขาเป็นส้มเลยเขาเป็นกล้วยเราปล่อยเขาเป็นกล้ว ย, ยไปเลยอันนี้โยมขออนุญาตเสริมนะคะอาจารย์คือเขาไปบ่อยนะคะตอนนั้นลุกอยู่ชลบุรีเขาจะขึ้นไปฟังธรรมอาจารย์บ่อยแล้วก็ยอเทปรีรันเมื่อวันที่หกมกราค่ะาคาาอาจารย์คนที่นั่งหน้อาจารย์ก็คือสามีโยมเองค่ะและ้วก็ ค่ะแต่ว่าเขาไปถวายประเคนซองแล้วเขาปรากฏว่ากางเกงยียนมันตึงเขาเลยหงายเงืบต่อหน้าพระจ่าเนาเี<ม>่ะค่ะเบิ่งสนาเลยเขาจากนั้นมาเขาเลยไม่กล้าไปเขาอายไ ม, ม่อยู่ในวิดีโอเลยนะต้นหงายนะไม่ไม่มีค่ะ ต, ตอนที่ไปหน้นา ง, งา ม, มีค่ะมกะลาหกมกลาปีไหนค่ะปกมกลาประมาณหกสองค่ะจยนแต่ว่ามารีลนัน ม, มกลาที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะมารีลันนี่อาจจ ไ, ปไปคนดู นั่งตรงหน้าอาจารย์เลยค่ะสรรเสื้อสีดําค่ะจะรย์บอกว่าขยับมาตอนหน่อยขยับเขาก็ขยับชนิดขยับอีนหน่อยเขาก็ขยับทีละนิดเลยอาจารย์ เ, เขาเขาเขาเขาอายเขาไม่กล้าไปอีกเลยค่ะยุงบอกาอาจารย์ไม่รู้หรอกคนผ่านเป็นพันๆเป็นหมื่นๆเขาก็บอกเธอไม่รู้ได้ยังไงว่งางั้นรู้ก็ไม่เป็นไรคนเราสีเท้ายัางรู้ผ่านนักปาก่านยังรู้พลาดค่ะแล้วลูก อ, อ, อยากให้ไปใช่ไหม แต่เป็นเรื่องของเขาไม่ควรจะไปบังคับเขาท่านเองไม่ใช่เรื่องของเราใช่ได้ค่ะพระอรก็ให้มากกาศตรงนี้ก็ได้เนี่ยง่ายๆนี่ในห้องส่วนไม่ต้องเดินทางให้เหนื่อยยากมากๆใช่ไหมค่ะพ่ออายค่ะพระอารย์พ่ออายก็เราได้ก่อนค่ะอามีไ ม, <c oughs> <c oughs> ไม่คําถามก็ตอนอืม คือจริงๆตอนตอนนี้หนูกํา ล, ลังแปรหาที่ปฏิบัติธรรมนะคะคือหมายความว่ามองในอนาคตว่าจะปฏิบัติธรรมแบบฟูฟูธรรมค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอ่าไม่ตอนนี้หนูยังหาได้ยินว่ามีวัดใกล้ๆสอยู่ในสงขาเยาที่เป็นสายของออของวัดอโสโการามหรือไงพระอาจารย์หรือเปล่าคะเออคงย่งังมีพระคำมัธยันอยู่รูปอยู่แถวนั้นได้ยินข่าว หนูไปกราบแล้วคะ่ะไปกับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าท่านไม่รับผู้หญิงนะคะอ๋อไม่รับผู้หญิงไม่มีที่พักให้เนะใช่ค่ะคชื่ออะไรนะอาจารย์ต้นใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ต้นท่านยังรู้จักพระอาจารย์เลย น, นะคะรู้จักเคยได้ยินชื่ อ, ร, อรู้สึกท่านเป็นลูกศิษยนหลงพ่อทุยใช่ไหงปู่ทวยใช่ใช่ใด้วยค่ะแล้วก็ท่านก็บอกเคยพูดถึงอาจารย์ด้วยว่าพระอาจารย์สมถ t h มากค่ะยิ่งพึ่งไปกราบเมื่อประมาณต้นต้นปี เพน่งสองสาเดือนเค่ะอาจชะกับต็ปีก็ได้ค่ะคือหนูก็อยากจะหาคือตอนที่เคยไปแถววัดป่าค่ะรู้สึกว่าเป็นโยมผู้หญิงก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำอาหารนะคะพระอาจารย์หนูก็เลยคิดว่าถ้าต่อไปแล้วเราเงินหมดขึ้นมาเราจะไปอยู่วัดได้หรือเปล่าตอนนี้กำลังมันต้องถ้าไม่มีเงินก็จะไปอยู่วัดที่ไม่ต้องใช้เงินเลยวัดแบบใช้เงินก็มีวัดแบบไม่ต้องใช้เงินก็มีอ๋อค่ะก็ต้งหาดู ถ้าไปย่กับครูบาอาจารย์บางรูกท่านก็ไม่ต้องให้ใช้เงินเลยก็อาหารกินอาหารบิณฑบาต ท, ที่เหลือมาจากพระก็กินได้ค่ะพระอาจารย์แล้วแต่แล้วแต่วัดอันนี้มันมันไม่เหมือนกันทุกวัดองค์ไม้ก็ต้องพึ่งตัวเองต้องทําับข้าวเองอะไรเององค์ไมก็ไม่ต้องถ้าไม่มีเงินก็กินกับกินกับวัดไปถ้าเราถ้าเราไม่จู้จี้จุกจิกนะกินอาหารที่เหลือจากพระได้ก็โอเคค่ะพระอาจารย์ อ๋อแล้วสมมติถ้าเราไปหาที่ที่เราจะไปอยู่อะค่ะสิ่งที่เราควรจะต้องดูคือครูบาอาจารย์ที่สอนหรือว่าปัจจัยรือว่าอะไรอย่างก็สัพปปยะอยู่สี่ห้าอย่างสถานที่สงบไหมไม่เวกไหมนะสองบุคคลที่เราอยู่ด้วยเป็นเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมชอบธรรมะหรือไม่ชอบธรรมะครูบาอาจารย์ท่านมีครูบาอาจารย์สั่งสอนเราได้ไหมนี่บุคคลสัพปปยะ นะอาหารสัปปายะเราเป็นคนชาวใต้เรากินอาหารแบบนี้เราไปอยู่อาหารอีกอีกแบบหนึ่งกินได้หรือเปล่าอันนี้ก็มันก็มีส่วนที่จะทําให้มีที่เราจะต้องตัดสินใจแล้วก็อากาศบางทีเราอยู่อากาศสบายใต้มันจะเย็นฝนตกถ้าไปอยู่อีสานในช่วงเมษานี่โอ้โหร้อนน่าดูพฤษภาพฤษภานี้ยอย่ก็บางทีเราก็ต้องสู้่ถ้าเราถ้า พราะปะัปะจจัยที่สำคัญจริงๆก็คือครูบาอาจารย์กับสถานที่พไว้มันสมองวิเวกแล้วมีครูบาอาจารย์สั่งสอนส่วนปัจจัยอื่นก็พอทูถ่ถายไปได้ก็ทูถ่ถายไปอาหารอาจจะไม่ไม่ถูกกับเราแต่ก็พอกินได้กินไปอากาศถึงแม้จะร้อนก็พอกทนได้ก็ทนไปแต่ปัจจัยสําคัญก็คือบุคคลคือครูบาอาจารย์ผู้นําแล้วก็ สถานที่วันนี้วิเวกไม่สงบไหมเนื่อเป็นวัดที่มีการก่อสร้างมีการพุกคนทุกผ่านหรือเปล่าอเป็นต้นนี่คือปัจจัยต่างๆที่เราจะต้องมาวิเคราะห์ดูเราต้องไปเที่ยวต้องไปเที่ยวตามวัดต่างๆอย่างที่คุณหมอภาสนาถ้าอยากจะเรียนรู้ไปคุยกับหมอภาสนาดูหมอภาสนาแกไปลองหลายที่แล้วลองวัดคูบาจานทร์หลายวัดนะ รย์ถ้าไม่ไปลองก็ไม่รู้บางทีก็มีจริงจมีที่ที่อยากไปค่ะแต่ว่ายังกังวลเหมือนอย่างเช่นเอเราก็อยู่กุติแยกกันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าบางทีเวลาที่มาเจอกันก็กลัวการกระทบกระทั่งกังวลตรงนั้นเหมือนกันค่ะอาจารย์นั่นแหละก็อยู่ที่ตัวเราบางทีเราก็เราปรับตัวเราเองถ้าเรายังหาที่ที่ไม่มีคนได้เราต้องอยู่กับคนก็ต้องแบบ ต้องฝึกสติให้มากขึ้นเวลาเจอคนก็พยายามทำใจเฉยเฉยเดี๋ยวหนูจะลองไปหาสถานที่เพิ่มดูค่ะแต่แพลนเอาไว้ว่าจะไปะ<ด>ตรวจดูเราด้วยก็ลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูก่อนก็ได้แล้นั่งปฏิบัติธรรมต่มางๆสมัยที่เราหาวัดแล้วก็โชคดีได้หนังสือเล่มหนึ่งเขียนโดยภาคฝรั่งชาวฝรั่งเขาไปเขาไปดูวัดปฏิบัติทั้งทั้งสามภาคสี่ภาคเลยแล้วก็เอามาเล่าวาวัดนี้ เป็นยังไงอาหารเป็นยังไงคนเป็นยังไงสถานที่เป็นยังไงดนั้นต้องมีหนังสือมันก็เหมือนกับเราไปท่องเที่ยวยุโรปเราก็ต้องมีหนังสืออ่านกับว่าไปเที่ยวที่ไหนดีใช่ไหมไม่ใชด่ดูดูไปแล้วไม่รู้จะไปไหนไม่งั้นก็ต้องมีไกด์มีมีหัวหน้าถวะพาไปแล้วถ้ารู้เรารู้สึกว่ามีคน คนหนึ่งเขาไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่นี่ถือเป็นปัจจัยรองลอ ง, ลองใช่ไหมาาก็แล้วแต่เราแล้วก็ต้องชั่งน้ําหนักดูว่าปัจจัยปัจจัยหลักที่เราต้องการมันมันมีหรือเปล่าถ้ามีครูบาอาจารย์ดีที่สงบไม่เวกดีอย่างเงยไม่ค่อยดีก็ก็ลองปรับตัวถ้าเราปรับตัวเราได้ก็ก็ปรับไปเพราะสำคัญต้องมีผู้นําที่ดีครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วที่สงบเงียบไม่วุ่นวาย อย่างอื่นก็เราอาจจะต้องปรับตัวกับเราอาหารอาจจะไม่ถูกกับเราอากาศอาจจะไม่ถูกกับเราเราต้องปรับมา ท, ทําใจไปดูเบญกาเธอเป็นการฝึกฝึกฝึกซ้อมทางทางปัญญาไปได้ค่ะอาจารย์ไม่ไม่มีคําถามอะไรเพิ่มหมดแล้วนะ<า>โอเ ค, คจะได้ไปที่คุณจิบต่อจิบได้หนึ่งนาที สวัค่ะพระอาจารย์ค่ะก็พระอาาสบายดีเสียงดีขึ้นแล้วนะคะใช่ก <Yeah, S 2> ็ะจะเป็นปกติแล้วสาธุค่ะโ ย, ยมฟังธรรมะน้ากติเรื่องร่างกายกับจิตนะคะพระอาจารย์ชอบมากเลยค่ะ <Yeah. S 2> จะฟังให้บ่อยๆนะคะฟังแล้วมันก็คิดตามแล้วมันก็รู้สึก ừ, ดีค่ะพระอาจารย์ <yeah. S 2> แล้ววันพระ ท, ที่ผ่านมาโยมลองทําศีลแปดพระอาจารย์โอ้ไม่เหมือนหนูติดจังยังไง <utan> ไม่อมันไม่ยากค่ะแต่ว่ามันตอนอดอาหารนะคะมันเหมือนกับว่ามันต้องฟาสต์ไปแบบว<ม>่ายอมมันไม่เค ย, ยมันไม่เคยมันหยุดกินตั้งแต่ก่อนสิบเอ็สดสิสิบเอ็ดโงครึ่งยมก็หยุดแล้วอะคะ่ะ<อ>แล้วแบบก็มานั่งเอ๊เราก็ ay, ดื่มน้ําอะไรก็ไม่ได้ไม่เอาต้องไปสุดรตรงเลยไม่ดื่ม ay, น้ําอะไรน้ําหวานเลยดื่มแต่ น, น้ําเปล่า อ, อย่างเดียว<อ>แล้วเขาไปตรวจเขาไปตรวจตรว จ, ตรวจเลือดวันล้งขึ้นมันต้องไปตรวจเลือดด้วยนะอืมน้ำตาลก่อน มันน้ำตาลก็ลงไม่มันไม่คุยได้ขนาดนั้นหรอกค่ะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เขาเรียกอะไรคะค่าคีโตครีโตซิสอะไรสักอย่างในในน้าปัสสาวะค่ะ <c oughs> มันติดมันเป็นบวกหนึ่งแปลคุาหมอบอกว่าเป็นเพราะว่าเราอดฟาสนานเกินไปยงก็บก่าแต่อันตรายไหมคุณหมไม่ไอันตรายดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ใครมันว่าคอเลสเตอรอลเยอะขึ้ น, นแล้วจ้ะโยมก็เลยแบบตายละ เราจะเล่าวันเราจะมาจากวันนี้วันก่อนก็ได้ไม่ใช่วันนี้มันมานานแล้วค่ะพระอาจารย์คือโยมคิดว่าอ๋อยมต้องกินโปรตีนให้เยอะก็เลยกินไข่สามฟองคุณหมอก็บอกว่าจริงๆอ่ะกินไข่อ่ะกินแค่ไข่แดงอ่ะฟองเดียวก็พอที่เหลือกินเป็นไข่ขาวแล้วยมก็อ้าวไม่รู้เราก็กินไข่แดงสามฟองก็สามฟองแทนไข่แดงไข่ขาวเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็ถามพระอาจารย์ว่าเรพระอาจารย์ทานฉันมือเดียวนี้ต้องเลือกแบบ คือเราก็ไม่มีสิทธิเรื่องอาหารถูกไหมคะแต่<ช>เราจะแบบแต่ล้างกายพระอาจารย์คุ้นชินแล้วใช่ไหมคะใช่ๆช่เราอาก ก, ก, กินตามปกติมีอะไรกินก็กิกนไปตามมีตามเกิดก็คือให้มันเอา ท, ทางธรรมธรรมแล้วเราไปปฏิบัติเอามากินมื้อเดียวมันกินมือมนนม้อเดียวไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพรับประกันได้ใช่ค่ะพระอาจารย <c oughs> ์ยิยมเลยแบบว่าโอเคสงสัยจะนึกถึงเพราะว่าพอตอนกินมื้อเดียว มันจะแกว่งๆหน่อยตอนหิวแต่เวลานั่งอ่ะค่ะมันก็จะนั่งดีนะคะแต่ว่าใช่ค่ะมันก็ไม่ง่วงแต่คือปัญหาคือตอนโยมนั่งอะค่ะมันจะจับลมหายใจเหมือนลมหายใจโยมมันน้อยมากเลยค่ะพระอาจารย์มันเหมือนลมมันไม่ออกไม่เข้าเหมือนมันไม่รู้สึกอะค่ะพระอาจารย์ใช้อะไรอื่นแทนไอพุทโธพุทโธแทนป่ะอมันเหมือนกับพอเรามันติดพุทโธไปแล้วพอเวลากลายเป็นว่าพุทโธมันก็จะไปควบคุมหายใจให้มันแบบ หายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทรมันกลายเป็นเราไปควบคุมลมของเราอะค่ะก็อย่าไปควบคุมใจเอาแต่พูดโทอย่างเดียวคือท้องไปเลยท่องไปอยางนี้เลยใช่หมใช่ใช่สไตล์น alone สไตคือแบบว่าท่องไปพุทโธพูดโธแล้วก็อยู่กับพูดโธไปอย่างนั้นไม่ต้องสนใจลมไม่ต้องสนใจอะไรทิ้งลมไปเลยทิ้งลมไปเลยจนกว่ามันท่องมันจิตมันนิ่งทุกอย่างถ้ามันหายไปก็อยู่นิ่งๆไว้อย่างนี้ใช่ไหมเออใช่ อ๋องั้นเดี๋ยวลองโยมจะลองนาแบบนี้เพราะว่าบางทีจับพุทโธมาปนกับลมหายใจยมันกาวจนจะเปะสปะไปหมดงลงเลยค่ะจริงลมอะไรลืมลม<ง> ล, ลืมลมเลยเอาแต่พุทโธอย่างเดียวค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ ะ, าาคะก็งั้นเดี๋ยวเอาไปปฏิบัติค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีอะไรคะ่ะขอลงพ้นอาจารย์ท่านนะคะขอขอบคุณทีมงานด้วยนะคะที่ ให้หมดนัดสุดท้ายขอ บ, ขอบคุณนะไม่ไม่กลับมาเมืองไทยกั บ, er กบทลิน ท, ท อ, องกรับค่ะอาจารย์เอี้เขาบอกกับจุลายยมก็กลับจุลายกับออรกาสค่ะแต่ว่ากะจะพาไปหาพระอาจารย์ด้วยแล้วเมื่อกี้นั่งดูคอร์สปฏิบัติ ท, ทําให้ลูกเหมือนกันค่ะแต่ว่าส่วนเนี้ยมันจะเป็นห้าวันนะคะยมก็ไม่แน่ใจว่าที่ไหนเขามีแบบว่าวันหนึ่งหรือว่าสองวันสามวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม ก็เลยเดี๋ยวๆ ว, ว่าจะลองดูแต่ว่ามันต้องเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษด้วยจะดีมากเลยคะเพราะลูกยมเข้าใจภาษาไทยแต่ถ้าเรื่องถ้าเรื่องศัพท์ทางธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยอมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อ่ะค่ะก็ลองเสิร์กดูลองเสิร์กดูค่ะก็ลองเสิร์กดูค่ะเดี๋ยวว่ไปนั่งฟังธรรมากุฏิพระอาารย์ก็ยังได้นั่งฝึกสมาธิไปกับเขาไปด้วยอ่ะค่ะ ค่ะค่ะขอบคุณนะคะพระพระอาจารย์ค่ะค่ะสาธุค่ะขอบพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะคุณทีต่อทีอาวัตพวกพวกกับยังไม่ได้เปิดมายแล้วราชการนพระอาจารย์ครับเออเป็นยังไงครับ วันนี้วันนี้มาพาลูกกระเพร์มากราบว่าันเกิดขอบคุนอาจารย์วันเกิดด้ยครับจะขอพรท่านอาจารย์หน่อยครับวันเกิดใครวันเกิดแฟนเนียเล็กวันเกิดคุณโอเคไมวันเกิดใครวันเกิดแฟนครับพระด่านครับอ๋ออ๋ันเกิดขอพรอาจารอให้สุขให้เจริญสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนานเข้าข่าดปลอดภัย คิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาในสิ่งนั้นๆเธิดขอบพระคุณค่ะไดไงหนุ่มน้อยครับท่า น, นอาจารย์ิ้ข้าวเลยิวข้าวแล้วที่ทุมม่มยังกินข้าวอยู่อะครับกินไม่หยุดนะครับพะาครับดีโอเคหัวแก้ว ห, วแหวแวนนะครับระอาจารย์ครับโอเคมีอะไรไหมไม่ไม่มีครับวันนี้ว่าแม้ปราศพระอาจารย์แล้วขอพรมันเกิดแฟนเนี่ย โอเคองั้นเราทำนี้ก่อนนะค ร, ครับุณครับุครับเวลาใกล้จะหมดละขอบคุณท่านอาจารย์ยสาธุก็หมดเวลาพอดีหมดอยัเหลือที่คุณลายคนหนึ่งคุณลามีคำถามไหมค่ะกราบนมัสการคระพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คำถามจากทางเฟ e b o o k พระอาจารย์แล้วก็ Youtube พระอาจารย์แล้วก็ youtube อกเตอร์วีชเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ การพิจารณาทุกขของอริยสัจสี่คือพิจารณาทุกข์ที่เกิดทั้งทางกายและทางใจใช่ไหมครับจะพิจารณาอย่างไรและดับทุกนั้นอย่างไรครับอ๋อ น, นี่มันทุกทางใจอย่างเดียวไม่ใช่ทุกทางกายเช่ไหมเราไม่สบายใจเวลาเราติดโควิดอย่างเงี้ยใจไม่สบายร่างกายก็ไปติดโควิดมัน ตัวตัวใบกระตุ้นที่ทำให้ใจเราไม่สบายก็คือตัวร่างกายมันไปติดโควิดขึ้นอย่างนี้ถ้ า, าอยากจะทำให้ความทุกข์ใจหายไปต้องทำยังไงก็ต้องไปตัดที่ความอยากของเราเราอยากเราอยากไม่ไม่ไม่ไม่เป็นโควิดพอเป็นเราก็เลยทุกข์ใจขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายเรามันเป็นยังไง ร, ร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ใช่เหรอ ห้ามันไม่ให้เจ็บได้ไหมห้ามไม่ให้มันติดโควิดได้ไหมก็ห้ามไม่ได้ะเมื่อมันติดก็ต้องยอมรับมันเป็นติดก็ติดเป็นก็เป็นถ้าจะตายก็ต้องยอมให้มันตายเอถ้าเราหยุดความอยากได้หยุดความอยากไม่ติดได้หยุดความอยากไม่ตายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันนี่คือทุกข์ในอริยสัจสี่คำถามต่อไปได้ยินคนพูดว่า นิพพ า, านเรื่องนี้นิพพานเรื่องนั้นเท่าที่ผมเข้าใจนิพพานคือการไม่กลับมาเกิดมีความหมายเดียวใช่ไหมครับจะว่าความหมายเดียวก็ได้นิพพานแต่มันก็ ม, ม, มีมีสามารถพูดในรูปลักษณะอื่นได้เช่นจิตที่ไม่จิตที่บริสุทธิ์ก็เป็นนิพพานเนี่ยจิตที่ไม่มีโลกกดลงก็เรียกว่านิพพาน คำถามต่อไปจากคุณรัตพันธ์หนูนั่งสมาธิตอนเช้าหนึ่งชั่วโมงตอนค่ําจะนั่งสมาธิอีกแต่นั่งแล้วอึดอัดทุลักทุเลมากค่ะจะนั่งแล้วไม่สบายตอนค่ำเท่านั้นตอนเช้าไม่เป็นไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรค่ะก็นั่งสวดมนต์ไปก่อนคำถามสุดท้ายจากคุณจา บาปนมัสการพระอาจารย์ค่ะหากเพื่อนเอาของที่ขโมยมามาแบ่งให้เราเราไม่บาปแต่เรารู้อยู่แก่ใจทําให้ไม่สบายใจไม่อยากใช้แต่ก็ไม่อยากเสียน้ําใจเพื่อนที่เอามาแบ่งควรปฏิบัติอย่างไรดีคะก็ไปทําบุญต่อให้คนอื่นต่อไปเราไม่สบายใจแต่ความจริงเราเราไม่มีผลไม่มีผลเสียหายกับเราหรอกถ้าเราเอาไปใช้ เพาะว่า oh, มันไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นขโมยมา mm hmm. เขาเป็นคนขโมยมา mm hmm. เขาเป็นคนที่จะต้องรับเคราะรับรับผลวิบากกรรมของการขโมยของมาแต่เขาก็ได้บุญตรงที่ว่าเขามาให้เราแบ่งมาให้เราตรงนี้เขาก็ได้บุญถ้าเราใช้เราก็ไม่มีเราก็ไม่ไม่มีส่วนที่จะได้บุญไม่ได้บาปแต่อย่างใดอือ mm hmm. ไม่ต้องกังวลแต่เขาให้มา อันนี้โดยที่เราไม่มีส่วนไปสั่งเขาถ้าเราไปสั่งเขาให้ไปขโมยของมาแล้วมาให้เราอย่างนี้อันเนี้ยเราก็จะมีส่วนทําบาปด้วยเพราะเราไปสั่งเขาแต่ถ้าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยอยู่อยู่ดีๆเขาก็มีความเสน่หาอยากจะให้เรามีของใช้บ้างเขาก็เอามาให้เราอย่างนี้นี่เราไม่บาปอย่างพ้าชนะเราจะไปรู้ว่าคนไหนเขาขโมยเงินมาซื้อของมาทำบุญใช่ไหมญาติโยมเนี่ยเราไปเอาเงินมาจากที่ไหนเอาของมาที่ไหนนี่ ไม่มีใครรู้เรอก <S <S รอพระก็ไม่ไม่ไม่สามารถไปตรวจสอบได้ว่าโยมถามโยมก่อนโยไปขมโมยของเข้ามาเปล่าโยมใส่บาตมาก็กินได้ก็กินไปไม่มีปัญหาอะไรนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเราเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนอกจากว่าเราไปไปสั่งเขาไปบอกเขาเอาอยากกินนู่นที่นี่เดี๋ยวก็ไปช่วยขมโมยหามาให้เราอย่างนี้ทางนี้เราไม่ส่วน ทำโอเค okay. เข้าใจแล้วนะหมดแล้วเหรอหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคอย่างน้ก็หมดเวลาพอดีหรับคืนนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอา